อาจารย์ครับการนักวิชาการครับผมจรานพรคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังทุกท่านครับผูาา้ดำเนครับวันนี้เป็นการจัดรายการวิสัชนาธรรมครั้งที่หนึ่งร้อยแปดสิบสี่แล้วนะครับอาจารย์ครับก็สามปีก่อนแล้วนะสาปีกว่าแล้วครับอาจารย์ครับ อ, <laughs> อาจารย์ครับเมื่อช้าคนใส่บาตรเยอะไหมครับสี่ร้ยยี่สิบหกคน แต่น้อยกว่าเมื่อวานนี้เมื่อวานนี้เป็นวันพระห้าร้อยสามสิบเจ็ดโอโ้เป็นชั่วโมงเลยใช่ไหมครับอาจารย์เอ่อชั่วโมงกลางวันนี้ก็ชั่วโมงสิบนาทีชั่วโมงสิบนาทียี่สิบนาทีได้ครับอาจารย์ครับเมื่อสักครู่อาจารย์จะพูดอะไรไหมครับอาจารย์ครับตอนทีผมตัดเขาไม่มีแล้วไม่มีอะไรอ <laughs> าจารย์ครับทุกทีเราจะคุยกันถึงเรื่องความทุกข์กันเป็นบ่อยๆครับอาจารย์เพราะว่าศาสนาพุทธก็จะมองความทุกข์ ว่าเป็นสิ่งที่เราจะต้องรู้จักครับวันนี้ก็เลยลองตั้งหัวข้อว่าทำอย่างไรให้มันมีความสุขบ้างครับอาจารย์อยากเรียนรู้เรื่องความสุข ก, กับความไม่ตายอาจารย์ครับผมความสุขก็ก็คือการไม่มีทุกข์นั่นแหละ <c oughs> <c oughs> ถ้ามีทุกข์มันก็ไม่สุขใช่ไหมครับง <c oughs> ั้นอย่าไปสร้างความทุกข์ความทุกข์เกิดจากอะไรกิจากการไปหาความสุขไปหาราบยศสรรเสริญไปหารูปสูงเกลื เ้วเราคิดว่าเป็นความสุขนะอย่าไปหาเพราะของนี้มันเป็นอนิจจังทุกขังมโนตามีเจริญก็มีเสื่อมเวลาเจริญก็สุขแต่พอเวลามันเสื่อมก็ทุกข์ถ้าไม่อยากจะมีทุกข์อยากมีแต่ความสุขก็อย่าไปหานาพโยสน์เสืเส่อ้ดูหาอย่าไปหารูปเสียงกลิ่นรสมาให้ความสุขกับเรา จะให้หาอะไรนะที่จะให้ความสุขกับเราก็ให้เราทําความดีให้เราทําบุญการทําบุญก็เป็นการทําให้เราไม่ต้องไปทำํำในเรื่องที่ทําให้เราทุกกันเช่นทางศาสนาก็สอนบุญมีสิบสิบชนิดด้วยกันทําบุญเราจะก่อความสุขใจเอ็มใจขึ้นมา า ก, การไปหาความสุขจา ก, ากลาบยศเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรสที่จะทําให้เกิดความหิวความอยากตามมาอยู่เรื่อยๆเท่าไหร่ก็ไม่อิ่มไม่พอแต่การทําบุญที่พระเจ้าทรงสอนให้ทํา10ประการนี้จะทําให้ใจมีความสุขมีความอิ่มแล้วความหิวต่างๆก็จะลดน้อยถอยลงไปจนกระทั่งหายไปหมดความอยากก็จะหายไปหมด เราลองมาไล่ดูว่าบุญที่พระเจ้าส่งสอนให้เราทำนี่สิบประการมีอะไรบ้างอันแรกก็คือการฟังเทศฟังธร ร, รมนี่แหละเป็นบุญเนี่ยทำมาเป็นคําสอนอพระเจ้าที่จะทำกล่อมจิตใจให้เยน็นให้สงบเป็นของเงยน็นแล้วก็เป็นความรู้ที่จะสอนวิธีการทําบุญต่างๆถ้าเราไม่ฟังเทศฟังธรรมไม่ศึกษาธรรมเราก็จะไม่รู้ว่าบุญที่พระเจ้าส่งสอนให้กระทํามี สิบชนิดด้วยกันอชนิดแรกก็คือการฟังเทศฟังธรรมการศึกษาธรรมะให้รู้ว่าการทําบุญสิบประการนี้มีอะไรบ้างประการที่หนึ่งก็เนี่ยคือการฟังเทศฟังธรรมฟังเทศฟังธรรมแล้วก็จะได้มีสัมมาทิฐิอันนี้คือบุญในชนิดหนึ่งการมีความเห็นที่ถูกต้องคือการมีปัญญารู้ว่าอะไรเป็นสุขรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์จะรู้ว่า ลาบยศสรรเสริญสุขนี่เป็นทุกข์ทุกเพราะมันเป็นอยู่ภายใต้กฎของตายลับอ น, นิจจังทุกขังมโนตาอันนี้สมาธิรู้ว่าอะไรเป็นทุกข์รู้ว่าอะไรเป็นสุขสุขก็คือการการทําบุญที่พระเจ้าทรงสั่ให้กระทาข้อต่อไปเมื่อเรามป็นสมา ท, ทิแล้วเราก็ต้องหลีกเลี่ยงละอย่าไปหาความสุขจากสิ่งที่เป็นทุกข์อย่าไปหาความสุขจากลาบยศสรรเสริญจากรูปเสียงกลิ่นรส ต, ต่างๆ ให้มาหาความสุขจากการฟัองเทศท่องธรรมแล้วก็ท่องเทศท่องธรรมแล้วก็จะเพิ่มแต่ว่านอกจากการฟัองเทศท่องธรรมแล้วอะไรจะทำเรามีความสุขอีกก็คือการทำทานการเสียสละแบ่งปันการให้ถ้าเรามีการบริเทามือกินหลือใช้ที่เราไม่ต้องเก็บเอาไว้หรือว่าถ้าเก็บไว้ตายไปก็เอาไปไม่ได้เอาเอาส่วนนี้มาทำบุญทำทาน มาสมเคราะห์โลกหรือสมเคราะห์ผู้ที่ยากไร้หรือสนับสนุนองค์กรที่ทําคุณประโยชน์ต่อสังคมก็ได้มูลนิธิต่างๆเช่นสภาการชาดไทยหรือมูลนิธิ protecting อะไรต่างๆ น, นี่ไม่ได้โฆษณาให้เราเป็นแต่ยกตัวอย่างเรือทํามูลกับโรงพยาบาลทํามูลกับโรงเรียนทํามูลกับวัดสถานที่หลังนี้เป็นสถานที่ที่ทําคุณทาประโยชน์ให้แก่สังคม ช่วยส่งข้อเรื่องใครมีความทุกข์ยากลำบาก็จะต้องเข้าหาสถาบันเหล่านี้ทุกใจก็ต้องเข้าวัดทุกกายก็ต้องเข้าโรงพยาบาลโรงพยาบาลนั้นนี่ก็ขาดเงินขาดทองขาดที่ยื่นใจคุยกับหมอคนไหนหมอก็บอกว่าตอนนี้ไม่มีเงินซื้อพวกเครื่องมกักเครื่องมือเลยไม่มีไม่มีงบประมาณที่จะซื้อเครื่องมัครืองมือหรือบางโรงพยาบาลต้องอาศรรัายทำภาพบา่าซื้ออุปกรณ์เครื่องมักเครื่องมืออาศัยให้พ้า ม, มา เป็ น, เ ป, นเป็นตัวเชิญตัวชูนชวนเชนิญและญาติโยมมาร่วมทําบุญบริาจาคเงินเพื่อซื้ออุปกรณ์การแพทย์ทต่างๆอันนี้ก็คือการทําทานการให้เสียสละแบ่งปันเข้าของเงินทองที่เรามีอยู่ที่เราไม่เดือดร้อนที่เราเสียไปไม่ได้เดือดร้อนเก็บไว้ก็ไม่เกิดประโยชน์อะไรตายไปก็เอาไปไม่ได้เอามาเปลี่ยนเป็นบุญเพราะบุญคือความสุขใจอิ่มใจ เวลาทำบุญแต่ละครั้งในใจมันจะฟูขึ้นมาใจรู้สึกอิ่มรู้สึกความสุขแล้วความอยากได้สิ่งต่ตางๆมันจะลดน้อยถอยลงไปด้วยความอยากได้ในรากยุกสธ์เสริญสุกมันจะลดน้อยถอยลงไปอันนี้คือการให้นี่คือให้ให้กับคนที่มีชีวิตอยู่ถ้าเราอยากให้กับคนที่มีที่ตายไปแล้วเราก็สามารถ อุทิศบุญได้ทุกครั้งที่เราทําบุญเราก็อุทิศบุญให้กับคนที่ตายได้พราะเราไม่สามารถให้เงินให้ทองเขาเหมือนกับเราให้คนที่มีชีวิตอยู่ได้แต่คนที่ตายไปแล้วสิ่งที่เขาจะรับได้แนละเป็นคุณเป็นประโยชน์กับเขาก็คือบุญที่เราทํานี้เราสามารถอุทิศบุญให้กับผู้ที่ต้องรับไปแล้วไนดะ้เราจะมีธรรมเนียมทุกครั้งที่เราทําบุญมันน่าจะกวดน้ํากันนะกวดน้ํา การกดน้ำนี้ก็เป็นการสาธิตตัวอย่างของบุญเพราะบุญมันเป็นนมามธรรมมองไม่เห็นด้วยตาก็เลยเอาน้ำมาเป็นตัวอย่างว่า น, นี่คือบุญน้ำคือบุญเราเทน้ำจากภาชนะหนึ่งไปสู่อีกภาชนะหนึ่งก็คือส่งบุญจากใจของเราไปสู่ใจของผู้ที่เรารับไปแล้วนั่นเองแต่การที่บุญจริงๆไม่ต้องใช้น้ำไม่ต้องไม่ต้องการไม่ต้องสวนเพีเยงแต่ระลึกายในใจไป ตามภาษาของเราเนี่นะเขาทิศบุญส่วนนี้ให้กับท่านผู้นั้นผู้ น, นี้ที่อลงรับไปแล้วถ้าท่านรอส่วนบุญอยู่ก็ขอให้ปวดมารับไปได้เลยอย่างลหลวงตาลาหะบัวท่านก็ชอบชว่วยญาติโ่มให้มาทำบุญ่างปีละครั้งา น, นพอดีเป็นครบรอบวันเสียของมารดาท่านท่านก็จะทําบุญอุทิศให้กับมารดาท่านก็เลยทําของท่านด้วยนะครับ เปิดโอกาสเชิญชวนให้ญาติพี่น้องญาติโยมที่อยากจะทําบุญอุทิศให้กับญาติพี่น้องของเขามาร่วมทําบุญร่วมกันอันนี้ก็เป็นบุญอุทิศทําบุญลแล้วเราก็มีบุญที่จะอุทิศได้นี่สี่ข้อแล้วบุญข้อที่ห้าก็อนุโมทนาบุญเวลาใครเขาทําคุณทำประโยชน์เราเห็นว่าดีแล้วก็ร่วมร่วมยินดีด้วยด้วยสนับสนับสนนทางใดทางหนึ่ง เห็นคุณหมอเห็นคนเขาทําประโยชน์อะไรได้เห็นแล้วเ อ, อดีนะเราก็อยากจะร่วมด้วยคือการไปร่วมสนับสนุนให้เขาได้ทําความดีต่อไปเพิมากขึ้นก็ได้เห็นองค์กรไหนทําคุณทาประโยชน์ให้ก่สังคมให้กัโลกแล้วเราอยากจะให้องค์กรที่อยู่ไปนานๆเราก็ไปร่วมมโนธรทนาไปแสดงความยินดีสนับสนุนทั้งใดทั้งหนึ่งแล้วแต่เราจะ สามารถทําได้อันนี้นะเรี่อร่วมอนุโมทนาบุญเ mm hmm. วลาก็มันทําบุญเนี่ยเพียงแต่ว่าเราเป็นลูกของเขาเราไม่ได้ทําเองเพราะเราบางทีไม่รู้จะไปทําที่ไหนพอดีเห็นเขาทําอันนี้ก็เข้าท่าดีนะร่วมกับเขาบางคนไปถ่ายวัวถ่ายควายถ่ายชีวิตวัวควายเราเองก็ปกติก็ไม่ได้ทําเองแต่เห็นแล้วก็ดีก็เลยเป็นลูกของเขาอนุโมทนาบุญ ก็คือการไปร่วมบุญนะอนุมโมทนาคือการร่วมบุ ญ, บญอันนี้ก็ห้าข้อนะเกี่ยวกับเรื่องของการทำทานการเสียสละแบ่งปันนี้ก็มีอยู่สามข้อทำบุญทำทางนทิตบุญแล้วก็อนุมโมทนาบุญสองข้อแรกก็เกี่ยวกับเรื่องบุญที่เกิดจากการมีสัมมาทิฏฐิมีปัญญารู้อะไรถูกอะไรผิดอะไรไม่ถูกอะไรไม่ อะไรเป็นสุขอะไรเป็นทุกข์เนีแล้วอีกข้อต่อมาก็คือบุญที่เกิดจากการรับใช้สังคมเป็นจิตอาสาเป็นแพทย์อาสาสมัยก่อนเหมาเขาคเคยเป็นนักแพทย์อาสาเวลาเรียนเนี่ยที่วัดยานิปินเนี่ยก็จะมีพวกทำนักแพทย์อาสามาทํำรักษาชาวบ้านเมื่อก่อนก็ทําในวันค้ายวันเกิดของสําเร็จพระสังฆราชที่เป็นผู้สร้างวัดยานขึ้นมา พาราแพทเขาก็จะมารวมตัวกันแล้วก็ตัดคลินิกรักษาฟันถอนฟันอุดฟันออย่างนี้อันนี้ไมเป็นเรื่องของจิตอาสาไม่คิดเ ง, งินทองปกติหมอรักษาคนก็แล้วว่ัเขาเขเก็บเงินเก็บทองเนี้ยทีนี้มันถ้าหมออยากจะทําบุญก็มอาวันเกิดหมอหมอเราเปิดคลินิกฟรีหนึ่งวันดูสิมาคิดในค่าบาทดูก็ได้ เยมอห้าบาทไม่รู้สึกเคยมีมบอนะเขาเก็บแค่ห้าบาทแค่ด้นครับอันนี้ก็เป็นการเป็นจิตอาสาเราจะไม่มีเงินทองไปทำบุญมากมายแต่เรามีความรู้ความสามารถที่รักษาพยาบาลคนที่เจ็บไายได้ตัวได้โดยที่ไม่คิดสตางค์กับเขาอย่างนี้ก็นี่กเป็นการทำงานจิตอาสาอาสาสมัครในรูปแบบต่างๆ บางคนก็ไปอาสาสนัครร่วมกับมูลนิธิเลยนะที่เขามีกู้ภัยอะไรต่างๆมีเหตุการณ์ที่ต้องการคนมาช่วยเหลือกั น, น, นมากมายก็ไปทําไปช่วยกันอันนี้ก็เป็นบุญทำแล้วมีความสุขใจการกระทำทั้งหมดนี้นที่พูดมาทําแล้วจะมีความสุขใจจะไม่ได้ราบยศจะไม่ได้ราบส ก, การะอย่าไปหวังเอาราบส ก, การละบางคนที่เขาทำแล้วอยากจะให้คนเข้ามายกย่องสรรเสริญนี่ จะผิดหวังได้เพราะคงจะอาจจะไม่รู้เขาอาจจะไม่ได้ให้รางวัลเราอะไรแต่เราไม่ได้ทําเพื่อรังวี่รางวัลเราไม่ได้ทำเพื่อลาบยุติสรรเสริญเราทําเพื่อความสุขใจจริงๆนะไม่หวังผลตอบแทนจากผู้ที่เราไปช่วยเหลือเลยแม้แต่นิดเดียวนะบุญข้อต่อมาก็คือการทําตัวเราให้เป็นผู้อ่อนน้อมถ่อมตนมีสัมมาคาระวะอันนี้จะทําให้เราเข้ากับคนได้ทุกแห่งทุกคน ที่ไหนเขาชาบคนที่มีความอ่อนน้อมถํามตนถ้าเราทําตัวเป็นคนอดเกง่งอดดีนี่มักจะไม่ค่อยมีคนอยากจะครบกาสมาคมกับเราด้วยเพราะเราไปทําให้เขาได้ค่าด้วยการยกตัวเราข่มท่านยกตนข่มท่านแต่ถ้าเรากดตัวเราให้ต่ำก็ถา่าเรายกเขาใ้ให้คนอื่นเขาสูงกว่าเรา บางคนหนึ่งรู้สึกว่าเขาสูงกว่เราเขาก็มีความสุขเขาก็อยากอยากคบก้าสมาคมกับเรารเราก็มีความสุขเพราะเราสามารถเข้ากับคนทุกคนได้เชนั้นนี่คุณหมออยู่ในสภา พ, พยายามอ่อนน้อ ม, มถ่อมตนไว้เถอะสามารถเข้าระ ว, วัตอันนี้เป็นกุญแจสําคัญในการที่เข้าถึงจิตใจของคนที่เราจะร่วม ง, งานด้วยถ้าเราไปอดเก่งัน ด, ดีเขาไม่เขาไม่อยากจะสนับสนุนเราไม่อยากจะร่วม ง, งานกับเรา ถ้าเราเป็นผู้อ่อนน้อถมถ่อตนเป็นผู้ให้ความเคารพกับผู้ที่เขาสูงกว่าเราแล้วมีอายุมากกว่าเราเก็มันจะทําให้แม้กระทั่งคนที่เขาไม่สูงกว่าเราแต่เราก็อ่อนน้อถมถ่อตัวไว้ก็ดีเขาจะไม่ทําให้คนไหนเขารู้เกียดเราเพราะเราไม่ได้ไปทําให้เขารู้สึกด้อยค่าแต่อย่างใดแล้วบุญต่อมาก็คืออะไรนะ บุญที่เกิดจากการให้ธรรมะก็ได้ถ้าเราได้ศึกษาธรรมะเราเห็นเราเห็นคุณค่าของธรรมะมอ่านหนังสือธรรมะบางเล่มหรืออ่านธรรมะบางบางข้อบางอะไรเราจะแชร์ทางโซเชียลก็ได้อ่านข้อความสั้นๆแต่มันกินใจเพะฟังแล้วมันรู้สึกว่าได้สติได้ปัญญาขึ้นมาทำให้ความทุกข์ความรุนวายใจที่มีอยู่ในขณะนั้นหายหายไปได้ ก็สามารถที่จะแบ่งบันธรรมะให้กับผู้อื่นได้แล้วขั้นบุญต่อมาอันนี้ต้องบุญที่เกิดจากการปฏิบัติตัวเราคือรักษาศีลทำทานแล้วก็รักษาศีลการรักษาศีลก็จะทําให้เราเป็นคนที่ไม่ไม่ไม่เป็นพิษเป็นภัยกับใครอยู่กับใครที่ไหนเขาก็จะสบายใจนอนใจเป็นคนซื่อสัตย์สุจริต ไม่โกหกหลอกลวงไม่ปิ้นป้อนไม่ชอบโกงใครอยู่กับใครเขาก็สบายใจไม่ใชอ่อยู่แบบที่เขาต้องระวังว่าคนนี้มันจะมาหลอกเราหรือเปล่าจะมาขโมยของเราหรือเปล่าจะมายุ่งกับแฟนเราหรือเปล่าอะไรอย่างนี้เป็นต้นเป็นการมีสีนี่ก็จะทําทให้เรามีความสุขเพราะเราไม่ได้ไปทําให้ใครเขาเสียหายเดือดร้อนสียนี้ตั้งแต่ระดับห้า ขึ้นไปสี่ห้าก็เป็นศีลระดับหนึ่งที่จะช่วยทําใจให้เราสงบเพราะเวลาเราทําบาปแล้วใจเราจะทุกข์ใจเราจะวุ่นวายพอเราไม่ทําบาปแล้วใจเราจะเย็นจะเฉยจะสบายแล้วถ้าเพิ่มสีอีกก็จะทําให้เราระงรับความวุ่นวายใจให้ได้ได้ไ ด, ได้ได้มากขึ้นคือถ้าเราเสกสีแปดได้เนี่ยเราก็จะไประงรับความความอยากในการเสกกรามต่างๆลง เวลาเกิดความอยากเสพการนี่ใจจะร้อนใ จ, จเชิงุดหงิดใจจะลำพานแต่ถ้าเราฝึกรักษาสิ้นแปดได้ก็เราก็จะระงับความอยากเสพการได้เช่นความอยากที่จะร่วมหลับนอนกับกับใครก็ตามถ้าเราถือสิ้นแปดเราก็ตัดความอยากนี้ออกไปจากใจได้เลยเพราะเราทำไม่ได้นะถ้าเกิดเราต้องมาอยู่คนเดียวเราก็จะไม่รู้สึกเหนาไม่รู้สึก ว, ว่าวเอง เพราะเราไม่ให้มีความอยากที่จะไปเสพเสพการมามกับใครชะนนเดี๋ยวการเสพรูปเสียงกลิ่นรสในรูปแบบต่างๆดูหนังฟังเพลงกินอาหารที่ถูกปากกินตามความอยากอันนี้พอถือสินแต่เราก็ต้อ ง, งระงับชีกินได้แค่ไม่ไม่เกินเที่หมวันนอนก็ไม่ให้นอนแบบสบายเกินไปไม่ให้นอนบนเตียงสาํารานฟูกเหนาหนาเพราะมันจะนอนมากเ ก, กินไป นอนพอพักขอนหลับนอนร่างกายได้คนที่ถือสินแปง น, นี้เขามีเป้าหมายคือเขาอยากต้องการเอาเวลาไปสร้างบุญกุศลที่สูงกว่าอีกขั้นหนึ่งคือบุญที่เกิดจากการภาวนาการภาวนานี่คือการเจริญสตินั่งสมาธิเพื่อทาใจให้สงบพอใจสงบแล้วจะได้สัมผัสกับรสแห่งธรรมที่เหนือนกว่ารสทั้งปวงก็คือความสุขที่เกิดจากความสงบ อันนี้เป็นความสุขที่สูงสุดเป็นการสุขที่เลิ่ที่สุดที่พระพุทธเจ้าและพระสาวกทั้งหลายอสรรเสริ ญ, ญยกย่องแะชวนเชิญให้ให้คนเข้าหากันถ้จะเข้าหาได้ก็ต้องต้องละ ก, การไปเอาเวลาไปเสพกา ร, รมออกไปถ้าเรายังโมไปเสพกรรมอยู่เสพ ร, รูปเสียงกลิ่นรสอยู่เราก็จะไม่มีเวลาไปปลีกวิเวกอยู่ตามสถานที่ปฏิบัติธรรมที่สงบ เพื่ที่จะได้จางสติควบคุมความคิดหยุดความคิดด้วยการ น, นั่งสมาธินี่เีว่ภาวนาภาวนาก็มีสองระดับด้วยกันครั้แรกก็ทําใจให้สบบงบเล่นด้วยสติเรียกว่าสมะถะภาวนาหือสมาธินะ แ, แต่สมาธินี่มันจะสง บ, บช่วยขนาที่เข้าไปในสมาธิเวลาจิตถอนออกจากสมาธิมาพอเริ่มคิดบ้า รับสัมผัสรับรู้อารมณ์ต่างๆก็เกิดความทุกข์ใจขึ้นมาได้ถ้าอยากจะให้ความทุกข์ใจที่เกิดจากการไปสัมผัสรับรู้อารมณ์ต่างๆนี้ให้มันหายไปก็ต้องใช้ขั้นที่สองคือขั้นปัญญาตานจะให้พิจารณาว่าอารมณ์ต่างๆเป็นไตรลักษณ์เป็นนามธรรมทุกขังมืง่อนั้นตาอย่าไปยินดีกับอารมณ์ต่างๆที่เราไปสัมผัสรับรู้แ <c> ม <oughs> ้ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นนัดหรือธรรมอารมณ์ก็ตาม เห็นอะไรก็ให้สักแต่ว่าเห็นอย่าไปอยากได้อยา่างมีเพราะว่าได้มาแล้วก็จะทุกข์เวลาอยากได้ใจก็อยู่ไม่เป็นสุขใจก็ต้องดินให้อยู่กับความสงบดีกว่าความสงบที่เป็นความสุขตั้งป่วมถ้าได้ความสงบอยากสมาธิแล้วมันใจมันอิ่มแล้วมันไม่มีอะไรก็อยู่ได้ไม่มีได้ยึดสนสิทสนิสุขก็อยู่ได้แม้กระทั่งไม่มีร่างกายมันก็อยู่ได้มันก็เป็นความสุขได้อันนี้คือการภาวนา เ ป, เป็นขั้นที่สูงสุดที่ยากที่สุดแต่ได้ได้ผลตอบแทนที่มากที่สุดคือได้พระนิพพานได้บารมีสุขบารมังสุขขั้งถ้าเราสามารถปฏิบัติกำจัดความอยากต่างๆที่มือในใจของเราให้หมดสิ้นไปได้เพราะความอยากนี้เป็นตัวที่สร้างความทุกข์ให้กับเราสร้างความทุกข์ใจพอเราไม่มีความอยากล้วใจเราก็จะไม่ทุกข์กับอะไรต้องก็จะไม่มาเกิดอีกต่อไปด้วย เพราะ่าเราไม่มีความต้องการในจากสิ่งต่างๆที่มีอยู่ในโลกทั้งสามนี่แล้วเราไม่ต้องการการไม่ต้องการเสกการไม่ต้องการเสกรูปประชานไม่ต้องการเสบารูปประช า, าะชนเพราะเราเห็นว่าสิ่งต่างๆเหล่านี้เป็นตายรักตรงนั้นเป็นของชั่วข่าวเป็นความสุขชั่วข่าวพอตัดความอยากหมดแล้วเราก็จะได้ความสุขแบบย่ำยืนถาวรด้วยความสงบของพันธิฐานที่เป็นบรมามาสุขอย่างยิ่ง นี่แหละคือวิธีการหาความสุขทางพระพุทธศาสนาแบบยั่งยืนถาวรไม่ต้องไม่ต้องกลับมาเวียนว่ายตายเกิดอีกเดอไปจิต ท, ที่อยู่นิพพานนี้จะเป็นบรลมบำสมไปตลอดไม่มีวันสิ้นสุดจิต ท, ที่ยังไม่เข้าถึงมิพานนี้ก็ยังต้องเวียนว่ายตายเกิดอย่างไม่มีวันสิ้นสุดเช่นเดียวกันอย่างจิตของพวกเราทุกคนนี้ยังเวียนว่ายตายเกิดกันอยู่เกิดมาแล้วก็ต้องแก่ต้องเจ็บต้องตายต้องมาทุกข์กับเรื่องราวต่าง ๆ, ๆไม่รู้จกักจบจากสิ้น ความสุขที่ได้มันก็เป็นเชื่อไปเดียวปัญียแล้วเดียวก็หายไปแล้วความทุกข์ก็เข้ามาม่สลับกันอยู่อย่างนี้ไปตลอดชีวิตเลิด ม, มาเราก็จะไปใช้กับความสุขความทุกข์สลับกันไปจนถึงวันตายตายแล้วกลมาเกิดใหม่แล้วก็มันทับมาเจอกับความสุขความทุกข์สลับกันไปอย่างนี้ไม่รู้กี่แสนล้านรอบนะก็จะเป็นอย่างนี้ไปเรื่อยๆจนกว่ารเราจะสามารถหยุดเหตุที่พาให้นำมาเว้นไม่ตายเกิดได้ เหตุที่เราสร้างความทุกข์ใกับใจเราก็คือความอยากต่างๆโดยการปฏิบัติธรรมแล้วก็ต้องมี ม, ม, มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์มาไป็นผู้สอนจะง่ายกว่าถ้าไม่มีต้องหาต้องค้นคว้าหาเองก็จะยากอย่างพระพุทธเจ้านี้ไม่มีพระพุทธพระธรรมพระสงฆ์ตอนที่ท่านบำเพ็ญท่านก็เลยต้องค้นคว้าหาด้วยพระองค์เอง ด้วยปัญญาเนื้อของพระองค์หนึ่ง ท, ทำให้พระองค์สามารถเข้าถึงพระอญญริยสัจสีได้เห็นว่าทุกทําไายทุกที่เกิดจากการเวียนว่าายเกิดนี่เกิดจากตัดหาความอยากต่างๆในการจะละตัดหาความอยากต่างๆได้ก็ต้องมีเครื่องมือก็คือต้องมีศีลสมาธิปัญญาก็ต้องทําปฏิบัติศีลปฏิบัติสมาธิปฏิบัติปัญญาเมื่อได้แล้วก็จะก็จะมีความสามารถที่จะกาจัดความอยากต่างๆ ที่เป็นต้นเหตุของความทุกข์ต้นเหตุของการเวียนวายตายเกิดของใจให้หมดสิ้นไปได้เมื่อหมดแล้วใจก็จะเจอบรล ม, มัสุขของพระ น, น, นิพพานไม่บานังบรลลมังสุกกลับไม่ต้องกลับมาเวียนวายตายเกิดอีกต่อไปจะสุนี้ไปตลอดในตอนที่พระพุทธเจ้าถึงแม้จะจากพวกเราไปแล้วสองหมืละละ้าร้ยกว่ปีแต่ใจของพระเจ้าก็เป็นบรล ม, มัสุขเหมือนวันที่เหมือนตอนที่ท่านตัดสัตในวันเพ็ญเดือนหก อันนั้นนะเป็นวันที่ท่านได้เข้าถึงนิพพานัแต่ยังไม่ตายตั้งแต่น่างกายยังไม่ตายนิพพานนี้ท่า น, นแบ่งเป็นสองชนิดนิพพานที่ยังคล อ, องขันอยู่กับนิพพานที่ไม่มีขันแล้วอันนี้พระพุทธเจ้าไม่มีขันแล้วแต่ใจก็ยังเป็นนิพพานอยู่แต่ตอนที่ตัดสรุปใหม่มาในวันเพ็ญเดือนหตอนนั้นยังมีขันอยู่แต่ใจก็เป็นนิพพานอยู่แล้วอันนี้ก็โดยโด ย, ยอด่อก็ วิทหาความสุขทางพระพุทธศาสนาไม่มีพิษไม่มีภัยถ้าเป็นอาหารก็เป็นอาหารต่อสารพิษนะไม่มีโรคอะไรตามมาถ้าบริโภคอาหารแบบทั้งโลกว่าแบบรเสเลิศแสนสุขนี่มันจะมีพิษมันจะมีทุกข์ตามมาเพราะมันเสื่อมได้มันหมดได้เพราะมันเสื่อมมันหมดก็ทาําความทุกข์ก็จะเข้ามาแทนที่ความสุขทันทีนั้นอย่าไปหาความสุขจากโลกระธรรมเลย อยายามเปลี่ยนวิธีจากการหาความสุขทางลกธรรมมาหาความสุขจากการทําบุญในชนิดต่ตางๆดีกว่าแค่ฝั่งก็มีความสุขแล้วนะครับอาจารย์ธรรมะก็เป็นอย่างนี้ธรรมะเป็นของเย็นจะทําให้ใจเย็นใจใสงบใจในความสุขการทำธรรมดึงนี้ออันิสงห้าประการ หจะได้ยินในฟังธรรมที่เราไม่เคยได้ยินได้ฟังมาก่อนสองธรรมที่เราเคยได้ยินในฟังแล้วถ้าได้ฟังซ้ําอีกก็จะเกิดความเข้าใจดีขึ้นไปตามลําดับสาจะทําให้เรากำจัดความสงสัยต่างๆให้หมดไปจากใจนะสี่จะทําให้เกิดมีสัมมาทิฏฐิความเห็นที่ถูกต้องห้าจะทําให้จิตสงบผ่องใสรรครับขอบพระคุณอาจารย์ครับ จะเรียนพระอาจารย์แล้วตอนอยู่ในสภานี้ผมก็ใช้คําสอนนะพอาจารย์ดำเนินตลอดนะครับก็รู้สึกมีความสุขแล้วก็ไม่มีศัตรูเลยครับอาาจาเมตตาไว้ให้อภยัยเขาไม่เห็นเขาไม่เห็นตรงกําลังแล้วก็ไม่ไม่ไม่ถือเป็นประเด็นอะไรยอมรับความความต่างคือให้ประสานส่วนเหมือนนล้วก็สมวนส่วนต่างเอส่วนต่างมาประสานกันเดี๋ยวจะทะลาะกั น, กน เอาความส่วนเหมือนคือชอบเรื่องเดียวกันถูกใจชอบเรื่องไหนก็พูดเรื่องนั้นด้วยกันส่วนเรื่องที่ไม่ชอบที่มีความเห็นตรงกันตรงข้ามกันก็อย่าออกมาพูดอะรส่วนตา่างแล้ววิธีหนึ่งที่จะทำให้เราอยู่กับคนส่วนใหญ่ได้อย่างสบายก็คือใช้ความาใช้ความสงบสยบความเคลื่อนไหวเฉ <laughs> ยๆไว้หรือความเคลื่อนไหวหต่างมันก็ยุติลงไปเอง ถ้าเราเขาเคลื่อนไหวเราเคลื่อนไหวแล้วก็ปะทะกันขึ้นมาอาจารย์ครับแต่ถ้าเราพูดตามหน้าที่ของเราแต่ว่าผลจะเป็นอย่างไรเราก็ไม่ได้คิดอะไรใช่เราทําทำไปทาหน้าที่พูดตามความจริงต้องเป็นสัจจะความจริงต้องมีศีลพูดาความจริงส่วนคนจะเชื่อหรือไม่เชื่อแล้วจะถูกใจหรือไม่ถูกใจนี่เราห้ามเขาไม่ได้บังคับเขาไม่ได้ ขอาว่าคุณพระอาจารย์ครับมีคำถามจากเพื่อนๆบ้างนะครับเขาถามว่าถ้าจิตใจว้าวุ่นนั่งสมาธิหรือเดินจงกรมจะดีกว่ากันครับได้ทั้งสองแบบนะอยู่ที่สติเป็นหลักไม่ใช่อยู่ที่การเดินด้วยการนั่งอยู่ที่การมีสติคอยควบคุมความคิดหยุดความคิดให้ได้ถ้าถนัด น, นั่งก็นั่งไปถ้าถนัดเดินก็เดินไปคุณแว่นครับการชาระจิตของตนให้ขาวรอบ มีวิธีปฏิบัติอย่างไรครับก็ที่พูดถึงนี่คือ ก, การภาวนานการภาวนาคือการชำระชระจิตให้ขาวตอนที่จิตดองแปะเปื้อนเมื่กิเลสตัณหาโมหะวิชาเราต้องใช้การภาวนาสองระดับระดั บ, รดบแรกเรียกว่าสมถะภาวนาคือการจัดริญสตินั่นสมาธิทำใจให้นิ่งสงบพอใจนิ่งสงบกิเลสตัณหาก็จะสงบโดลง ถ้าเป็นเหมือนน้ำเราก็สมัยก่อนน้ามันขุ่นเราเอาใช้สารส้มามาแกงในน้ำเอาแกงสารส้มแล้วตะกอนไอตัวที่สิ่งดองขอบอกที่อยู่ในน้ํามันก็จะเการวมตัวแล้วตกตะกอนไปก็แยกออกจากน้ําไปการเข้าสามาธิจิตสงบกิเลสตัณหาที่มันมันอยู่ในใจเรามันก็จะแยกออกจากใจเราชั่วข่าวไปตกตะกอนนิ่งสงบอยู่แต่เราก็สะอาดผ่องใสชั่วข่าว แต่พอออกจากสมาธิมาพอเราเริ่มคิดเริ่มปรุงเริ่สัมผัสกับอารมณ์ต่างๆอารมณ์ต่างๆมันก็จะทําให้เกิดกิเลสโผกขึ้นมาใหม่ได้เหมือนเราตักน้ําที่ที่มันมีที่มันตกตะกอนถ้าเราตักน้ํำบ่อยๆมันก็ทําให้ตะ ก, กอนที่มันอยู่ในน้ำํำที่อยู่ก้นมันลอยขึ้นม า, ม า, ม, ามาปนกับน้ําใหม่นะ ก็เหมือนกันเวลาออกจากสมาธิมาพอใจเราไปสัมผัสรับรู้เรื่องราวต่างๆความรักความชอบมันก็จะผล่ขึ้นมาความโลภความอยากก็จะโผล่ขึ้นมาถ้าอยากจะกําจัดสิ่งเหล่านี้ให้หายเพียงถาวงก็ต้องใช้ปัญญาให้เห็นสอนใจให้เห็นรู้ว่าสิ่งที่ทําสิ่งที่ใจเราโลภนั้นมันเป็นทุกข์เพราะมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นของชั่วข่าวมีเจริญมีเสื่อมมีเกิดมีดับ เอาไปเอามาแล้วเดี๋ยวเวลามันมันเสื่อมมันดับมันก็จะทำให้เราเสียใจทุกข์ใจถ้าเห็นด้ปัญญาเป็นทุกข์นก็จะไม่ความโลกความอยากมันก็จะไม่มีมันก็จะไม่มีอันนี้สองขั้นด้วยกันขั้นแรกก็ใช้สมาธิใช้สติทำใจให้นิ่งสงบเป็นสมาธิก็จะทำให้ใจสะอาดได้ชั่วในขณะที่อยู่ในสมาธิแต่พอจากสมาธิมาใจกิเลสที่มันนอนก้นอยู่มันก็จะกลับขึ้นมา ทำให้ใจแปะเปื่อนใหม่งั้นต้องถ้าต้องการกําจัดกิเลสตอนที่ไม่ได้อยู่ในสมาธิก็ต้องใช้ปัญญาสอนใจเพราสิ่งที่กิเลสต้องการเป็นทุกข์เพรู้เป็นทุกข์นะครับเนี่ย ไ, ไม่เอาเลยถ้าเคยชอบหนึ่งเครื่องหนึ่งชิ่นนี้แล้วพอมีคนไปศึกษาไปวิจัยว่าเป็นวิสากงก่อมาเล่นอยู่นี้เปลี่ยนใจเลยไม่กินเลยต่อไปไมกลากินเลยต้องเห็นทุกอย่างในโลกนี้ว่าเป็นมิสารก่อมาเล่น ของใจก็คือความทุกข์ใจแต่เรามองไม่เห็นกันไม่มีคมาวิจัยยินพระพุทธเจ้ากับพาาระนัาวิจัยก็ไม่ก็ไม่เชื่อท่านเองการบริจาคอวัยวะแค่สมองตายแต่หัวใจยังเต้นอยู่อย่างนี้เป็นบาปไหมครับคือผู้บริจาคต้องถ้าอยากจะได้บอญเดี๋ยวเดี๋ยวท ทำเริม่มเริ่มเป็นบาปไม่เป็นบาปใช่ไหมครับคือถ้าร่างกายยังไม่ตายแเราไปทําให้มันตายนี่ก็บาปเน้น อ, ว, อวัยวะอวัยวะทุกอย่างต้องหยุดทํางานก่อนถ้ามันยังทํางานอยู่แสดงว่ามันยังไม่ตายถ้าศาสนาเราดูที่ลมหายใจเป็นหลัถ้าหยุดหายใจรั๊บอวัยวะต่างๆทั้งหมดมันก็ต้องหยุดตามใช่คุณหมอครับอืม ทางแพทย์เขาดูสมองครับอาจารย์แต่แต่มันก็เป็นไปได้วยกันเหมือนกันนะครับอาจารย์ครับเ<ม>พราะสมองตายก็หายใจก็ไม่ได้เหมือนกันครับ<ม>คุณดำครับขันห้าคือตัวทุกข์ดังนั้นถ้ายังอยู่ในโลกกระทำแปดอย่างไรก็ไม่มีความสุขที่แท้จริงนิพพานเท่านั้นเป็นสุขอย่างยิ่งเข้าใจอย่างนี้ถูกหรือไม่ครับไม่ถูกหรอกขันห้าไม่ใช่เป็นตัวทุกข์ ขันห้ามมัเป็นเป็นสิ่งที่เป็นการกลางไม่สุขไม่ทุกข์ที่มันเป็นทุกข์ก็เพราะจิตไปยึดไปติดไปไ ม, ม, ปไมีอุปทานไปถือว่าเป็นตัวเราของเราแล้ว ก, ก็เกิดความอยากให้การห้าเป็นไปตามความอยากพอมันเป็นพอไม่เป็นไปตามความอยากก็เกิดความทุกข์ใจพ้าอรหารนี้ท่านไม่มียึดไปติดกับขันห้าท่านก็ยังมีขันห้าอยู่แต่ท่านไม่ได้มีความอยากกับขันห้าไม่ได้อยากให้ขันห้าเป็นอย่างนั้นเป็นอย่างนี้ท่านรู้จักธรรมชาติของมันว่า มันจะแก่ก็ต้องปล่อยให้มันแก่มันจะเจ็บก็ต้องปล่อยมันเจ็บมันจะตายก็ต้องปล่อยมันตายถ้ามันยึดไม่จิกกับขันห้าท่านถึงไม่ทุกกับมันท่านก็ยังมีขันห้าอยู่และท่านก็สามารถเอาขันห้านี้มาใช้ให้เป็นประโยชน์ได้มาแสดงธรรมได้พระพุทธเจ้าก็ใช้ขันห้านี้มาแสดงธรรมครูบาอาจารย์ท่านก็ใช้ขนห้านี้มาแสดงธรรมขันห้าเป็นเครื่องมือเป็นเหมือนมีดที่เราคนใช้จะเอาไปใช้ในรูปแบบไหน เอาไปใช้ทําคุณทำประโยชน์ก็ทําให้เกิดความสุขใจขึ้นมาเอามีดไปหั่นผักหั่นเนื้อเพื่อทํากับข้ามันก็ทําให้เราทํากับข้าวอาหารโอชาได้เอามีดไปแทนคนคนั้นคนคนอื่นก็ทําให้เกิดโทษกับคนคนชวนใช้มีดได้ให้มันอยู่ที่คนใช้มีดเราจะรู้จักใช้มีดในวิธีที่ถูกหรือไม่อย่างไรคันห้าก็เหมือนเหมือนกันก็เหมือนมีเป็ น, เ ป, นเป็นเหมือนมีดเป็นเหมือนเครื่องมือที่จิต แต่ระดวงนิ้จิต้องรู้จักใช้มันให้ถูกถูกถูกถูกต้องถ้าถูกต้องก็จะเป็นคุณเป็นประโยชน์ให้ความไม่ได้ให้ทุกข์ให้โทษกับจิตใจแต่อย่างไดถ้าชาตินี้อยากได้โสดาบันต้องเริ่มยังไงครับถ้าอย่าพูดชัดๆก็ไปบวชเะง่ายดีที่สุดไปบวชเลยนะศาพนาสมบัติมันต้องพระเจ้าเนี่ยของเจ้าศาสนาน่าจะสมบัติ ไปบวชแล้วก็ไปศึกษาพระธรรมก็คือศึกษาแค่ไตรยสิกขาพอสามอย่างนั้นไม่ต้องไปศึกษาพระตไตรปิฎกให้มันมากเรศึกษาว่าศีลต้องรักษาศีลอย่างไรต้องปฏิบัติสมาธิอย่างไรต้องเจริญปัญญาอย่างไรทำสามข้อ น, นี้ก็พอแล้วก็จะบรรลุเป็นพระโสดาบัานไดภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนและเจดปีอย่างแน่นอน จะเรียนเพื่อนเพื่อทางติ๊กต็นะครับสามารถจะส่งคําถามเข้ามาได้แล้วนะครับคุณชนิดาครับก่อนใส่บาตรเราอุทิศบุญกุศลตอนจบข้าวตอนใส่รับพรจากพระอย่างเดียวไม่กรวดน้ําด้วยได้ไหมครับคือต้องทําให้เสร็จก่อนนูถึงจะเกิดต้องใส่บาตรให้เรียบร้อยก่อนใส่บาตรไแล้วพระท่านเดินไปแล้วเราเกิดความสุขใจอิ่มใจแล้วเหมือนกับการรับประทานอาหารเนี่ยถ้ายังรับระทาอาหารไม่เสร็จมันยังไม่อิ่ม ผลมันก็ยังไม่เกิดเช่นเราปากข้าวเข้าปากคําเดียวแล้วเราก็บอกว่าอิ่มนะมันยังมันยังไม่พอมันยังไม่อิ่มนี่เราทำให้มันครบสูตรกินข้าวกินให้มันอิ่มห่อย น, นะถึงจะหยุดกินได้ในการทําบุญก็ต้องทาให้ทหําให้เกิดความสุขใจขึ้นมา ก, ก่อนแนละ้วถึงค่อยอุดชิ้นปุ่นได้คุณอัญชลีครับ การที่เราช่วยเหลือคนในครอบครัวเรื่องการเงินถือว่าเป็นการทําทานไหมครับหรือว่าเป็นหน้าที่ครับมันก็เป็นได้ทั้งสองอย่างห น, าหน้าที่ของเราก็คือก็ต้อสงเคราะห์ญาติพี่น้องกันเป็นมงคลอย่างหนึ่งของชีวิตถ้ามงคลจัิปดพุทธเจ้าบอกการสงเคราะห์ญาติพี่น้องก็เป็นเป็นเป็นบุญอย่างหนึ่งเป็นมงคลเป็นความสุขความเจริญแในจิตใจ ถ้าเป็นผู้หญิงบวชไม่ได้จะสามารถปฏิบัติจนได้โสดาบันได้ไหมครับบวชได้ก็บวชเป็นแม่ชีแม่ชีก็ไม่ต่างจากพระภิกษุหรอกเพียงแต่ศีล ไ, ไม่ละเอียดเท่ากับพระภิกษุเท่านั้นองแต่ศีลดอยดักก็เหมือนกันศีลศีล ส, สิบเป็นแม่ชีจริงก็นั่งบวชศีลสิบเป็นสมัมมเนยถ้าขอ่อนจะมาบวชเป็นพระก็นั่งบวชเป็นสมัมเนยก่อนเวลาทําพิธีบวชนี่เขาบวชสองขั้นสองตอนครับคุณหมอ อันละให้บรรพชาก่อนบรรพชาก็คือให้บวชเนรก่อนเพราะจะบวชจะเป็นคราวาสแล้วมาบวชเป็นพระเลยไม่ได้ต้องผ่านเป็นเนรก่อนต้องเทอศีลเสียให้ได้ก่อนเอถเทอศีลเสียได้แล้วก็มามาบวชประกอเป็นพระทำอุปสมบทอุปสมบทก็ต้องถือศีล227ที่มีที่มันละเอียดขึ้นที่จะทําให้จิตใจทําอะไรต่างๆได้ยากขึ้นได้น้อยลงพอดีหน้าเวลามาให้กับการ ปฏิบัติศีลสมาธิปัญญานั่นเองนั้นบวชได้มีแม่ชีบางคนที่บวชแล้วบรรลุธรรมเป็นพาาระอรหันต์ก็มีรู้สิ่งของบูมันแม่ชีแก้วนี่ท่านก็ท่านก็บรรลุเป็นพาาระอรหันต์ท่านก็เป็นแค่แม่ชีนั่นเอแต่การปฏิบัตินี่เดียวกับพายภาพรูปยังปฏิบัติสู้แม่ชีไม่ได้นะมันไม่ได้อยู่ที่การเป็นพระหรือเป็นการเป็นแม่ชีมันอยู่ที่การปฏิบัติว่าปฏิบัติดีปฏิบัติชอบหรือไม่ กรรมน้ำระสกานพระอาจารย์ครับข้อที่หนึ่งครับที่ท่านอาจารย์เทศไว้ให้ทําการบ้านเตรียมตัวไว้ก่อนอยากทราบว่าการบ้านหัวข้ออะไรบ้างครับที่ควรทําอำเมื่อเกิดมาถ้ามันก็มีอะไรตามมาะแล้วก็มีความแก่ความเจ็บความตายอันนีนะ้คือข้อสอบของเรา <c oughs> เราจะผ่านไหมเราจะคือคําว่าผ่านก็คือเราจะเราจะไม่ทุกข์กับมันหรือเปล่าถ้าเราทุกข์กับมันก็แสดงว่าเราสอบตก เราก็ต้อมาเตรียมตัวทำกันว่าทําอย่างไรให้เราอยู่กับความแก่ให้ได้อย่างมีความสุขแทนที่จะทุกกับความแก่ครับมีความสุขแทนที่เราจะทุกกับความเจ็บไข้ในป่วยเราไม่ทุกเรามีความสุขได้นมีความสุขได้ขณะที่เราจะตายอันนี้ต้องมาทำข้อสอบสามข้อนี้ห้้ข้อที่สองถามว่าแต่ละหัวข้อมีวิธีทําและปฏิบัติอย่างไรครับ ก็ศึกษาความจริงไงารเบื้องต้นเราต้องศึกษาก่อนว่าร่างกายนี้มันเป็นอย่างไรมันเป็นเป็นสิ uh ่งที่เกิดมาแล้วไม่เปลี่ยนแปลงหรือเปล่าแล้วมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาแล้วมีใครห้ามมันได้หรือเปล่าพอออกมาจากท้องแม่ก็เป็นทานน้ำก่อนแล้วพอได้ได้รับประทานอาหารได้เดิมน้ําได้ลมหายใจมันก็ค่อยจะเริญเติบโตขึ้นไปตามลำดับ จากทานโรค ก, ก็กลายเป็นเด็กเล็กจากเด็กเล็กก็มันเด็กโตเป็นผู้ใหญ่นะพอจเจริญเติโตเต็มที่แล้วมันก็เริ่มเสื่อมลงเลยค่อยๆเป็นคนแก่ค่อยไปเที่ยวเล็กเที่น้อยแล้วโรคภัยแค่เจ็บก็เริ่มเข้ามาเบียดเบียนกต้องมาหาหมออยู่เรื่อยๆและในที่สุดก็ถึงแก่ความตายต้องศึกษาธรรมชาติของร่ามกายว่ามันเป็นของมันเป็นของนิ่งหรือเป็นของไม่นิ่งมันไม่นิ่ง การเคลื่อนไหวมีการเปลี่ยนแปลงตลอดเวลาจะเกิดไปสู่แก่ไปสู่ความเจ็บไปสู่ความตายพอเราเห็นความจริงอันนี้นะเราจะได้สอนใจว่านับเปลี่ยนนั้นไม่ได้อย่างวันนี้ก็พอได้เห็นเห็นคลิปหนึ่งก็บอกว่าถ้าคุณอยากจะให้พระที่ขึ้นจากทางทิศตะวันตกแล้วตกตงจากทิศตะวันออกนี่คุณจะต้องทุกข์ไปตลอดชีวิตเพราะมันเป็นไปไม่ได้เย่มมาก อยากให้ขึ้นทางทิศตะวันตกว่าตกทางทิศตะวันออกมันไม่เป็นอย่างนั้นความจริงมันขึ้นทางทิศตะวันออกแล้วมันตกทางทิศตะวันตกฉะนั้นอยากให้ร่างกายไม่แก่ก็ทําไม่ได้อยากให้ร่างกายไม่เจ็บไข้ไม่ป่วยก็ทําไม่ได้อยากให้ร่างกายไม่ตายก็ทําไม่ได้แต่มันความอยากนี้มันจะทําให้ใจทุกข์ไปตลอดตั้งแต่เกิดไปจนถึงวันตายถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องอยอมรับ ค, ความจริง อย่างว่าราห้ามความแก่ไม่ได้ห้ามความเจ็บไม่ได้ห้ามความตายไม่ได้เราต้องน้อมรับมันเพียงอย่างเดียวน้อมรับความแก่น้อมรับความเจ็บน้อมรับความตายสาเหตุที cookies, ่จะเรายังไม่น hmm. ้ไม่ยอมน้อมรับก็เพราะกิเลสตัณหามันต่อต้านกิเลสไม่ยอมกิเลสมันอยากให้ไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายเราต้องมากดกิเลสตอนนี้ให้มันอ่อนกําลังลงด้วยการจริญสตินั่งสมาธิหยุดมันให้ได้ด้วยสมาธิ ปัญญาไม่ได้หยุดนันปัญญาเป็นแต่สอนให้รู้ว่าอะไรผิดอะไรถูกงั้นกิลเลสมันผิดเราก็ต้องมาทํากิลเลสให้มันหยุดทําการกระทําความผิดให้มันนิ่งเฉยเฉยทำจิตให้หนิงๆๆ่งเฉยเฉยพอจิตนิงๆๆ่งเฉยเฉยีเด็ดมันก็ต้องนิ่งตา่างมันทำอะไรไม่ได้เพอจิตนิง่งนิ่งเฉยเฉยก็สแสดงว่าจิตยอมรับความแก่ความเจ็บความตายได้จิตก็จะไม่ทุกเวลาพบกับความแก่ความเจ็บความตายจิตก็จะเฉยเฉยไป เมนูเบรกครับตอนบริจาคเลือดสามารถอุทิศส่วนกุศลในขณะบริจาคนั้นถูกต้องไหมครับใช่เมื่อบริจาคเสร็จเรียบร้อยแล้วเราค่อ ย, ค, อ ย, ค, อยค่อยอุทิศเมื่อไหร่นะระหว่างที่ยังไม่เสร็จก็อย่ า, อ ย, าอย่าเพิ่ม อ, อย่าเพิ่ม อ, อุทิศเพราะว่ามันยังไม่สมบูรณ์บุที่ได้ยังไม่สมบูรณ์ให้เสร็จเรียบร้อยก่อนแล้วค่อยอุทิศทีเดียวดีกว่า วันนี้ไม่มีคำถามจากคุณพลอยนะครับแต่มาส่งการบ้านหลังจากถามพระอาจารย์ไปว่านั่งสมาธิไม่ได้นั่งแล้วจิตฟุง้งพระอาจารย์แนะนำให้ฝึกเจริญสติก่อนนั่นสมาธิให้ฝึกทำบ่อยๆฝึกตั้งแต่ลืมตาตื่นทำอะไรก็ให้รู้ตัวและมีสติหลังจากฝึกทำประมาณสองอาทิตย์ตอนนี้มีสติในการใช้ชีวิตมากขึ้นรู้ตัวทุกขณะจิตทำอะไรก็รู้ตัวทำให้มีสติในการดำเนินชีวิตมากขึ้นนิ่งและสงบขึ้นมากกบขอบคุณพระอาจารย์ในคำสอนครับ ขาพขอบคุณพระพุทธเจ้าเนีคยับพเจ้าบอกสเตดนี้เป็นธรรมที่สําคัญที่สุดถือว่าเป็นธรรมที่ใหญ่ที่สุดเปรียบเทียบก็ เ, เหมือนรอยเท้าช้างรอยเท้าช้างนี่ใหญ่กว่ารอยเท้าของสัตว์ทั้งหมดที่มีอยู่ในป่ารอยเท้าช้างนี่ครอบเลยหมดสำคัญยิ่งกว่าปัญญาสําคัญยิ่งกว่าสมาธิเพราะปัญญาหรือสมาธิจะเกิดไม่ได้ถ้าไม่มีสติหรือสีเงาเกิดไม่ได้ ถ้าไม่มีสติกินเหล้าเมายามันก็จะไม่มีสติคอยควบคุมการกระทําของกายกวาจาต้องมีสติสตินี้เป็นธรรมที่จําเป็นอย่างยิ่งในทุกกรณีไม่ว่าจะเป็นการเจริญรักษาศีลไม่ว่าจะเป็นการเจริญสมาธิไม่ว่าจะเป็นการเจริญปัญญาต้องมีสติเป็นผู้คอยกํากับดูแลให้จิตทํางานตามหน้าที่ของตน ท่านเดิมถามนะครับบอกว่าถ้าจะปฏิบัติแบบคนธรรมดาจะเป็นไปได้ไหมครับว่าจะได้เป็นโสดาบันครับมันมันยากนะว่าเหมือนกับเป็นนักกีฬาเนี่ยคณจะไปแข่งกีฬาเอาหนปิดเราเลี้ยงทางแม้แต่คนยังจะไปทํางานมามาซ้อมแค่วันเสาร์วันอาทิตย์เนี่ยมันคุณจะไปสู้คนที่เขาซ้อมทั้งทั้งเจ็ดวันได้หรือเปล่าไปดูพวกมืโปรทั้งหลายเนี๋ยวมือก็มันก็ทํางานด้วยแล้วเข้าไปไปแข่ง แข่กอบด้วยหรือเปล่าก็ไม่หรอกถ้าก็จะเป็นมือโปรนี่เขาไม่ไปทํางานนะเขาจะอุทิศเวลาทั้งหมดให้กับการฝึกซ้อมตีกอเพียงอย่างเดียวอ น, นี้อยจะเป็นผ้าโซดาบานได้เหรียญได้เหรียญทองแดงก่อนเนี่ยโซดาบานนี่ถือว่าเป็นขั้นเหรียญทองแด ง, อ ง, องนเนี่ยของโองิมปิกเนี่ยคนก็ต้องอุทิศเวลาทั้งหมดของชีวิตให้กับการฝึกซ้อมการปฏิบัติธรรมถ้ามือแต้ เป็นคาราวาสแา้ยังจะไปเที่ยวไปกินไปเดินไปเล่นไปทํางานอะไรต่างวันหนึงมานั่งสมาธิแค่ครึ่งชั่วโมงเนี้ก็ทําไปจนกีดภพกีดชาติมนะันก็ไม่มีวางสําเร็จได้แบบมันอยู่ที่ปริมาณของการทํางานทํามากมันก็มันก็ยังมีโอกาสสําเร็จได้ได้ได้มากขึ้นทำที่ดีถ้าอยากจะได้ภายในเจ็ดวันเจ็ดเดือนหรือเจ็ดปีก็ไปบวชเลยดีที่สุด พวกที่เขาเป็นค่าวร้ายแล้วเขาบรรลได้นันเพราะว่าเขาเคยมีบา ร, รมีเก่าติดติดตัวมาอยู่แล้วแล้วพอบังเพื่นบางเอ่ยมาเปิดหนังสือธรรมะอ่านเข้าปั๊บเข้าใจหลักไตรลักษณ์เข้าใจหลักอริยาาสัจสีก็บรรลุเป็นพระโสดาบันขึ้นมาได้ทันทีเลยอยันนี้เป็นเพราะเป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าเราอ่านธรรมะแนละ้วฟังเทศคําธรรมเป็นหูฉีกแล้วยังไม่บรรลุเลยก็แ <laughs> สดง ว, ว่าเราไม่มีบา ร, รมีพอจิตเรายังไม่มีปัญญาที่จะแยกแยะ ผิดถูกดีช่วอย่างแยกความจริงกับความไม่จริงออกจากกันต้องต้องมีปัญญาแล้วเรามีสมาธิที่จะหยุดความอยากได้เมื่อรู้ว่าความอยากเป็นตัวที่ทำให้ใจทุกข์มีคำถามบว่ารับพิจารณาโดยใช้กฎไตลยักใช่ไหมครับใช่ทุกอย่างมันมันเป็นตายรักเหมดทุกอย่างไม่เที่ยงเป็นทุกข์ไม่ใช่ตัวตนไม่มีตัวตนอยู่ในสิ่งไดทั้งสิ้น ไม่สามารถไปสั่งไปให้ไปสั่งมันให้ทําอย่างนั้นทําอย่างนี้ได้เสมอไปบางเวลาอาจจะสั่งได้แต่บางเวลาก็สั่งไม่ได้เช่นร่างกายสั่งให้มันไม่เจ็บไายได้ป่วยส่วนใหญ่ก็สามารถสั่งได้แต่วันเวลามันวันใดวันหนึ่งก็สั่งมันไม่ได้มันจะเจ็บไขยได้ป่วยขึ้นมาก็ห้ามมันไม่ได้ถ้าเราซื้อของไปทําบุญแล้วมีผู้ขอร่วมบุญในของนั้นโดยจ่ายเงินให้เรามา หากเรารับจะทําให้บุญในนั้นของเราลดลงจากความตั้งใจเดิมไหมครับหรือควรปฏิเสธเขาไปเพื่อให้ได้ทําบุญได้เต็มที่จํานวนที่ตั้งใจหรือเราควรนําเงินนั้นถวายวัดต่อเราจะได้บุญเท่าเดิมไหมครับใช่<ม>ก็เอาเงิน<ม>เราเข้าไปทําบุญถวายวัดต่อก็ได้ไปบริจาะเป็นค่าธรรมค่าไฟไปก็ได้หรือถ้าเขาอยากจะเอาของแล้วเราของของเราให้เขาให้ให้เขาเป็นเป็นของเขาแล้วเอาเองินที่เขาให้มามัน ทีเป็นค่าของอเป็นบริจาคเป็นค่าน้าําค่าไฟแทนก็นได้เหมือนกันแต่ถ้าเราเงินเก็บไว้ก็สแสดงว่าเราลดจํานวนเงินของการทำบุญของเราลงลดจํานวนการเสียสละลงบุญก็น้อยลงไปตามจํานวนที่เราเราลดลงไปความรู้สึกตัวกับสติเหมือนหรือต่างกันอย่างไรครับคือสตินี้มันนอกจากรู้สึกตัวแล้วมันจะคอยควบคุมความ ค, ามคิดด้วยไม่ให้คิดผุกแตก ให้จิตรู้เฉยๆฉันกําลังทำมากำลังกินข้าวมแค่รู้เฉยๆว่าเรากินข้าวไม่ใช่รู้รู้ว่ารู้สึกตัวแต่รู้ว่าคิดนู่นคิดนี่ฉันกำลัก็ไม่ใช่สตินะดูแล้วต้องไม่คิดด้วยไม่ใช่กินข้าวก็รู้รู้แต่ว่าเรากําลังกินข้าวอยู่แต่ไม่ไปคิดถึงคนคน่องคน น, น, นีเ้เรื่องนั้นเรื่องนี้ในขณะที่เรากินข้าวใหรู้อยู่เรื่องเดียวเรื่องของการกินข้าวอย่างเดียว การทำกายยักคาตาสติกับการท่องพุทโธแบบไหนดีกว่าครับเอลาแต่จเจตผลของแต่ละคนชอบแบบไหนก็ใช้แบบนั้นได้ทุกสิ่งทุกอย่างในโลกนี้คือความทุกข์ทั้งนั้นคือเรื่องจริงไหมครับพระอาจารย์ใช่เพราะทุกสิ่งทุกอย่างมันไม่เที่ยมมีนจารย์นั้นก็มีเสื่อ ม, มเว้าจารย์ก็สุขเวลาเสื่อ ม, ก, ม, ก, มก็ทุกข์ เราเข้าไปห้ามมันไม่ได้ไม่ให้มันเสื่อมไม่ได้มันเป็นอนัตตาไม่อยู่ภายใต้การควบคุมบังคับของใครถ้านั่งสมาธิแล้วได้แต่สมถะจะเริ่มเจริญปัญญาอย่างไรครับเมื่อเราชานาญจากสมถะแล้วเราก็วาเวลาออกจากสมาธิมาเราก็มาศึกษาธรรมชาติของร่างกายศึกษาสนใจว่าร่างกายนี้เป็นไม่เที่ยงเกิดแล้วต้องแก่ต้องเจ็บต้องตาย ถ้าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะทุกข์ถ้าไม่อยากจะทุกข์ก็ต้องยอมรับความจริงอย่าไปอยากให้มันไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายใจก็จะหายทุกข์อันนี้เป็นการทำการบ้านสอนไว้ก่อนแล้วเราเวลาไปเจอความจริงเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายดูซิว่าจะทำใจได้หรือไม่ถ้าทำใจไดก้ก็หลุดพ้นจากความทุกข์ได้ในระดับนึง ถ้ายัางทำไม่ได้ก็ต้องแสดงว่าเรามีกําลังไม่พอก็ต้องมาปฏิบัติทำมาปฏิบัติสมาธิทําจิตให้สงบทําจิตให้นิ่งให้ได้เพราะถ้าเราทําจิตให้นิ่งได้เราก็จะหยุดความอยากได้แล้วพอเราไปเจอทุกข์คือความเจ็บด้วยความแก่ด้วยความตายเวลาใจเราทุกข์เราก็จะได้ไปหยุดความอยากไม่แก่ไม่เจ็บไม่ตายได้พอหยุดได้ใจก็จะหายทุกข์ ร่ากาก็ยังเหมือนเดิมอยู่ร่าคกายก็ยังแก่เจ็บตายอย่างเหมือนเดิมแต่ใจไม่ทุกข์กับมันแล้วอันนี้เป็นการศึกษาทางปัญญาปัญญามีสองขั้นการทําการบ้านศึกษาทฤษฎีก่อนแล้วขั้นที่สองคือขั้ น, น, นปฏิบัติการคือต้องไปเจอของจริงจจของรงริไปเจอความแก่เจอความเจ็บเจอความตายจริงๆล้วดูซิว่าใจจะทุกข์กับมันหรือไม่ สติกับสมาธิสิ่งไหนสาคัญกว่ากันครับอ๋อสติสมคัญกว่าเพราะสมาธิเป็นผลที่เกิดจากการมีสติถ้าไม่มีสตินั่งสมาธิไปจนมันตายก็ไม่มีวันสงบจิตก็จะเข้าสมาธิไม่ได้จิตเข้าสมาธิได้เพราะมีสติเป็นผู้รา拉เข้าไปผู้ดึงเข้าไป ถ้าเราฟังธรรมแต่เราไม่ได้นั่งฟังแบบพนมมือจะบาปไม่ครับแต่เราอาจจะนอนฟังแต่ดูที่จิตไปเรื่อยๆครับกคณะตากาลาเทศม า, าลายาเมื่อาอยู่ในที่สาธารณะเราก็อยากจะดัความเคารพเขาก็มีประธรรมในประเพณีว่านั่งฟังธรรมก็ต้องพนมมือแต่ถ้าฟังธรรมทางภาคปฏิบัติทางสายปฏิบัตินี้ท่าจะไม่นิยมใช้ไม่ต้องพนมมือพียแต่ให้นั่งอยู่ในความสงบ นั่งอยู่ใ น, น, ใ น, น, ในท่านั่งอในท่าผับเพียบแล้วก็เดไม่ต้องเคลื่อนไหวนั่งกายไม่ต้องเคลื่อนไหวไม่ต้องผนลมมือแต่อย่างใดก็ได้อันนี้ก็แล้วแต่การลาเทสรสถานที่ที่เราไปว่าเขาใช้การแสดงความเคารพในรูปแบบใดแล้วก็ทำแล้วก็ทําตามเขาบางแห่งก็ให้พนลมมือฟังขณะทีฟ่ ฟ, ฟ, ฟ, ฟ, ฟังเทศสฟังธรรก็พนมมือไปแต่การนอนฟังเทสนี่มันถ้าเราอยู่คนเดียวอยู่ก็ฟังได้ เช่นในตอนีที่เราเจ็บค่ายได้ป่วยเรานุกขึ้นมานั่งไม่ได้แล้วก็นอนฟังไปแต่การนอนฟังนี่มันมีมันมีโทษอยู่คือมันจะทําให้เราหลับไปฟังไปได้แค่ระยะห น, นึ่งแล้วพอไม่มีสติปั๊บมันก็จะหลับไปการฟองทําก็จะสิ้นสุดลงไปขณะที่เราหลับแต่ถ้าเรานั่งเราอาจจะนั่งฟังได้ตลอดตั้งแต่ต้นจนจบเราก็จะได้ฟังทําได้มากขึ้นอันนี้ก็ขึ้นอยู่กับ ความสามารถของร่างกายเราว่าจะสามารถนั่งได้ไหรือไม่ถ้านั่งได้ก็นั่งจะดีกว่านอนวันนี้ทําบุญช่วยผู้ประสบภัยน้ําท่วมทงางภาคใต้ทําแล้วมีความสุขมีขนาดที่ทําเลยเพราะคิดว่าอย่างน้อยก็ช่วยบรรเทาทุกข์ได้ระดับหนึ่งนะครับนั่นแหละเป็นบุญแนละความสุขใจทํากรรมไม่ดีแล้วส่งผลเร็วเป็นเพราะอะไรครับ การบอย่างมันเหมือนเหมือนเหมือนเหมือนต้นไม้ต้นไม้นางชนิดมันก็โตเร็วออกดอกเร็วต้นไม้บางชนิดก็ใช้เวลามันต่างกันการมันมีมันมีเวลาต่างกันการที่เราดูแลพ่อแม่ทําทุกอย่างแต่บางครั้งเหนื่อยมากๆมีอารมณ์โมโหเพราะบางครั้งพ่อแม่พูดจาติตลอดฟังแล้วหวั่นพอจิตใจจึงทําให้โต้ตอบกลับไปทําร้ายจิตใจพ่อแม่ การที่เราทําแบบนี้เราบาปมากกว่าได้บุญใช่ไหมครับมันก็ได้ทั้งสองอย่างบุญก็ได้บาปก็ได้งั้นเราต้องทําความเข้าใจใหม่ว่าเราเราเป็นคนรับใช้พ่อแม่เราเรานำจะมาทดแทนบุญคุณที่ท่านมีกับเราถ้าเราคิดว่าเราเป็นคนรับใช้แนละ้วเราก็จะได้มั่นระวังตัวเรามากขึ้นว่าเราจะไม่กล้าตอบโต้เจ้านายที่เราทํางานนี้เราจะรู้ว่าเราไป เราเป็นลูกน้องเขาเป็นลูกพี่แล้วลูกพี่สั่งอะไรจะถูกใจไม่ถูกใจเราก็ต้อ ง, องรับกิเลสความไม่พอใจไว้เพราะถ้าเราไม่รับเดี๋ยวก็ไปแสดงอาการไม่พอใจเดี๋ยวก็ไล่เราออกจากงานนะ <c oughs> <c oughs> อย่างนี้นเราต้องรู้จักฐานะของเราเระว่าพ่อกับแม่ ก, กับเราเนี่ยเราเป็นเหมือนคนรับใช้เรามาทดแทนรับใช้เพื่อทดแทนมูลคุณอันยิ่งใหญ่ที่ท่านมีกับเรา เราต้องขันติมีความอดทนมีสติให้คอยเตือนใจสนใจว่าเราเป็นคนรับใช้ไม่ใช่เป็นเจ้านายเพราะฉะนั้นเราไม่มีสิทธิ์ที่จะไปตอบโต้เจ้านายคือพ่อแม่ท่านจะดูจะพูดอะไรที่ไม่ถูกใจเราก็รับฟังเฉยๆไปน้อมรับฟังไว้จะถูกจะผิดนั่นอีกเรื่องอยํ า, าตามหนระือไม่นั่นอีกเรื่องแต่เราจะไม่มีอารมณ์โต้อตอบใดเราจะให้ความเคารพเตาะ เสมอต้นเสมอปลายตลอดเวลาการทําสมาธิแบบวิปัสสนาต้องทําอย่างไรครับอ๋อมันคนละอย่างมันทําแบบมันวิปัสสนาก็ปัญญา ส, า, า, มสม า, า, าสมาธิก็คือความสงบดั้นการจารสตินการเจริญสมาธิก็หมายจิตสงบ ก, ก็ต้องใช้สติให้อยู่กับอารมณ์รังครับจิตให้อยู่กับอารมณ์อย่างไดอย่างหนึ่ง ท่านอยู่กับคำรายการพุโทโธพุโทโธเพียงอย่างเดียวไม่ปล่อยให้ใจไปคิดถึงเรื่องราวต่างๆถ้าใจอยู่กับพุโทโธได้อย่างต่อเ น, นื่องใจก็จะรวมลงเป็นสมาธิขึ้นมาส่วนมีปรั ส, สนาคือปัญญานี้คือการใช้ความคิดศึกษาธรรมชาติของร่างกายเป็นว่าเป็นร่างกายเป็นของไม่เที่ยงเป็นไตรักเป็นอนิจจังทุกขกังหันตาเหมือนกับที่เราศึกษาวิธีขับรถยนต์เนี้ยการขับรถยนก็ต้องศึกษาใช้ความคิด เราจะขับรถเราต้องใช้ทําอย่างไรบ้า ง, ต, งต้องใส่กุญแจไว้ที่ช่องไหนสตาร์ทเครื่องอย่างไรเข้าเกียร์อย่างไรควบคุมรถอย่างไรอันนี้ก็ต้องศึกษาเหมือนกันนี่คือปัญญาวิปัสนาคือศึกษาธรรมชาติของร่างกายว่ามันมันเป็นของเที่ยหรือไม่เที่ยมเป็น้องที่เราควบคุ ม, มคบังคับได้ตลอดเวลาเลยอไม่ ถังให้มันไม่แก่ได้หรือไม่ถังให้มันไม่เจ็บไา้ได้ป่วยได้หรือไม่ถังให้มันไม่ตายได้หรือไม่ถ้าถัางไม่ได้แล้วจะท ำ, ทำยังไงถ้าไปอยากให้มันไม่แก่มันแก่เรจะทำไงเราก็จะทุกข์ถ้าเราไม่อยากจะทุกข์ก็อย่าไปอยากให้มันไม่แก่นั่นเองนี่คือปัญญาวิปัสสนา วันนี้ไปนั่งสมาธิสองชั่วโมงแต่ต้องใช้เบาะรองนั่งสองอันจึงจะนั่งผ่านสองชั่วโมงไปได้แต่ถ้าใช้เบาะรองนั่งหนึ่งอันจะได้ไม่ถึงสองชั่วโมงเนื่องจากโยมเป็นหมอนรองกระดูกเคลื่อนจึงกราบเตียนถามว่าที่ถูกถ้าใช้เบาะรองนั่งหนาเหมาะสมไหมครับคือการนั่งนี่เราไม่ต้องการเวลาเป็นหลักเราต้องการผลคือความสงบเป็นหลัก ถ้านั่งสองชั่วโมงได้แต่ไม่สงบก็สู้นั่งพระแค่สิบห้านาทีแล้วสงบยจงดีกว่าเราต้องการเอาความสงบเป็นผลนะยังก็พยายามอย่าอย่าเอาความสบายนั่งเนั่งสบายแต่มันมันไม่สงบถ้ามันสบายกายางทีมันมจะไม่สงบเราะฉะนั้นบางทีมันต้องเจ็บแล้วทนกับความเจ็บแล้วมันจะทําให้ผ่าน พอผ่านความเจ็บได้มันจิตก็จะสงบลงไปได้อย่างนี้จะได้ผลดีกว่าเพราะการจะเข้าทำให้จิตเข้าสู่สมาธิได้บางทีนี้บางทีต้องผ่านความเจ็บก่อนมันถึงจะเข้าได้เพราะมันจะบางครั้งให้เรามีสติเพิ่มมากขึ้นเวลามีความเจ็บพอมีสติมากขึ้นมาจะทําทให้เราสามารถควบคุมจิตให้นิ่งให้สงบได้ง่ายขึ้นได้มากขึ้นในถ้าเราสบายเราก็ไม่ต้องใช้สติมาก นังไว้ไมันก็จิตเครืามาไม่สงบอา น, นิสงส์ที่เกิดจากการสวดมนต์คืออะไรครับก็การเป็นการเจริญสติอย่างหนึ่งทำให้เราละกำบความคิดฟุ้งซ่านต่างๆได้ที่เราจะฟุ้งซ่านจากการทํางานกลับมาบ้านยังคิดถึงเรื ง, งานเรื่องการอยู่แล้วก็มานั่งสวดมนต์กันสวดไปสักพักหนึ่งความคิดเกี่ยวกับเรื่องงานการมันก็จะหายไปจิตเครื่องการมันเป็นปกติไม่ฟุ้งซ่านได้ ถ้าเราใช้เงินกองสีซื้ออาหารตักบาททุกคนในบ้านจะได้บุญไหมครับทุกคนเขาจะต้องต้องต้องมีเจตนามตั้งใจอยากจะทําด้วยแต่ถ้าทําโดยที่เขาไม่รู้เรื่องอะไรเขาไม่ได้บุญถ้าบอกเขาแล้วเขาไม่อานห้องมรขาเขาก็ไม่ได้บุญถ้าเขาอานห้องมรณาเขาแสดงว่าเขายินดีด้วยก็เขาควรจะเขาก็รจะได้บุญเพราะฉะนั้นก่อนที่เราจะย่าเงินของคนอื่นไปทําบุญก็ต้องถามเจ้าของก่อนว่าเขายินดีไหมเขาอยากจะทําำไหย พอบุญี่สำเร็จได้ก็ต้องมีหนึ่งมีเจตนาความตั้งใจสอง ม, มีการกระทําเมื่อมีการตั้งใจมีการกระทําบุญถึงจะเกิดขึ้นมาได้ปล่อยวางลูกไม่ลงครับเราต้องทําอย่างไรครับไม่ไม่ลงก็ทุกข์ใช่ไหมอยากจะทุกข์ก็ไม่ต้องปล่อยเนีย่ยมันทนทุกข์ไม่ไหวมันก็ปล่อยเพราะบางทีมันต้องทุกข์ก่อนมันถึงใหญ่ปัญญาถึงจะเกิด ว่าอ๋อการไม่ปล่อยทําให้เราทุกถ้าไม่อยากจะทุกก็ต้องปล่อยอนี่ยมันก็เต้องมันต้องผ่านความทุกข์ก่อ น, นถึงจะเป็นถึงจะปล่อยลงได้มันต้องปล่อยเพราะว่ามันทนไม่ไหวแล้วยังทนไหวมันกจะไม่ปล่อยแต่มันต้องทุกข์จนกระทังทนไม่ไหวแล้วมันก็ต้องปล่อยไป คนที่เป็นโรคประสาทหรือโอคซึมเศร้าเขามีความสุขได้ยากเป็นเพราะเขาทำบาปมากมาใช่ไหมครับก็เป็นเพราะเขาไม่มีชัติตครอบคุมใจเขามากกว่าบางอย่างเนี่ยอย่างได้อะไรมากๆเขาไม่ได้ก็จะทําให้เสียใจไม่ได้บ่อ ย, อยๆเขาก็จะซึมเศร้าไม่มีความสุขการที่เราดูแลสามีบางทีก็มีดุบ้างเราบาปไหมครับ ก็แล้วแต่ว่ากา ร, การดูดนี่เป็นการดูดแบบไหนถ้าดู ด, ด้วยอรารมณ์ันก็ไม่ควรแต่ถ้าดู ด, ด้วยเหตุด้วยผลก็ดูไ ด, ด้ดีแต่ควรจะพูดวาจาที่สุภาพจะดีกว่ามันจะทําให้เขาไม่ทุกข์เขาวาจาของเราการไปพูดแล้วทาให้เขาทุกข์นี่มันก็ขัดกับเจตนารมณ์ของเราที่เราอยากจะให้เขามีความสุขจากคุณสมพรครับ การที่เราพอใจในการเงินเินชีวิตมีความพอใจในการทํางานตามความรู้ความสามารถของเราไม่แสวงหาความสุขจากลาบยศสรนเสริญที่เกินความรู้ความสามารถของตัวเองพอใจในสิ่งที่มีและพอใจในความสามารถที่มีไม่ทําอะไรเกินความรู้ความสามารถเน้นความสุขของตัวเองเป็นหลักความสุขคือความสําเร็จในตัวมันเองเป็นที่เรียบร้อยอย่างนี้ถือว่าโยมคิดถูกต้องแล้วใช่ไหมครับก็ถูกต้องส่วนหนึ่งในขณะที่ร่างกายยังแข็งแรงยังสามารถทําตามความอยากของเราได้อยู่ ถ้าไปถึงช่วงที่เรามีปัญหากับร่างกายเราจะทําไงถ้าร่างกายเกิดเจ็บไข้ได้ป่วยขึ้นมาเกิดพิกลพิการขึ้นมาเราไม่สามารถทําตามความอยากได้เราจะทำอย่างไรอันนี้เร า, เราต้องเราก็ต้อเจอกับความทุกข์อย่างแน่นอนทุกข์เพราะว่าไม่สามารถทําตามความอยากได้เพราะฉะนั้นเราต้องอยาบประมาทเราอย่าไปคิดว่าชีวิตของเราจะราบเรื่องกไม่มีร่างกายเราจะแข็งแรงไปตลอด ร่างกายมันต่อไปมันก็จะ่ค่อยเสื่อมลงไปเพรามันเสื่อมความสามารถที่จะแสวงหาความสุขจากลาบยุทธสรเสื่อมได้มันก็จะน้อยลงไปเรื่อยๆถ้าจะยอมรับกับสภาพที่มันเสื่อมลงได้หรือไม่เรางคิดถึงอนาคตด้วยไม่ใช่ถ้าแต่แค่ปัจจุบันใช่ตอนนี้ร่างกายเราแข็งแรงสามารถพาความสุขจากลาบยุทธสารเสื่อมสุขได้ทุกวัน ต, ต่อไปมันจะค่อยๆเสื่อมลงไปเสื่อมลงไปเรื่อย ๆ, ๆน้ำกายความสามารถก็จะลดน้อยถอยลงไปเรื่อยๆหรือถ้าเกิดเรนเจออุบัติเหตุอุบัติภัยขึ้นมาเกิดมีทําให้น้ำกายเราเป็นพิกลพิการไปอย่างใดอย่างหนึ่งคําสามารถที่จะทําที่จะหาราบในสส า, มารมันจะลดน้อยถอยลงไปหรืออาจจะไม่สามารถหาได้เลยก็เราจะทําอย่างไรเราตเราพิจารณาความวิเธียของ่า ง, งกายของเราด้วย ไม่เห็แต่ความไม่เทียงของเราด้วยส่วเสริญศพเทนนั้นเป็นคารวาสมีโอกาสบรรลุโสดาบันได้บ้างไหมครับถ้าตั้งใจปฏิบัติจริงๆครับถ้าตอนนี้ยังไม่มบรรลุก็ยากออกไปบวชถึงจะมีโอกาสง่ายกว่าแต่ถ้าครั้งถ้าถ้าเป็นครั้งนี้เป็นการฟังธรรมเป็นครัง้งแรกแล้วฟังแนละ้วบรรลุก็ถือว่าเป็นยากเป็นกรณีพิเศษแต่ถ้าเราไม่มีบารมีเก่ามา เราฟังเทศฟังธรรมมาศึกษามาเป็นหลายเดือนหลายปีแล้วยังไม่บรรลุก็แสดงว่าการปฏิบัติเราน้อยไปเรื่องนี้เราต้องปฏิบัติให้มากขึ้นการนัปฏิบัติได้มากขึ้นได้เต็มร้อยก็ต้องไปบวชประเทศทางนี้ดีตรงนี้อยู่ที้ว่าสำหรับคนที่อยากจะปฏิบัติอย่างเต็มที่นี่มีสถานที่ไปปฏิบัติได้ไปปฏิบัติตามวัดต่างๆที่เป็นวัดปฏิบัติเราจะเน้นเรื่องของการปฏิบัติอย่างเดียวไม่ต้องทําอะไรอย่างอ พ่อของเงินลูกก้อนใหญ่ไปใช้ในทางที่ผิดลูกไม่มีเงินก็นให้พ่อพ่อทำร้ายลูกแจ้งความเอาผิดพ่อลูกบาปไมครั บ, บาปไม่ควรไปแจ้งความควรจะให้อภัยพ่อกวรคิดถึงบุญคุณที่ท่านมีกับเราคิดเสียว่าเป็นการชดใช้บุญคุณกับเรากันอาณาปานสติคือปัจจุบันขณะไหมครับก็ดูลมเข้าลมออก ถาดูลมเข้าลมาอกมันก็เป็นปัจจุบันลมมันจะเกิดขึ้นในขณะที่อยู่ในปัจจุบันเรลมออกก็ออกในขณะปัจจุบันลมเข้าก็เข้าในขณะปัจจุบันถ้าจิตอยู่กับลมมที่เราทำให้จิตอยู่ในอยู่ในปัจจุบันจิตก็จะไม่ลอยไปในอดีตไปในอนาคตแต่ถ้ามานั่งนั่งแล้วคิดถึงอดีตมันก็จิตก็จะลอยไปในอดีตไม่อยู่ในปัจจุบัน เมื่อคิดถึงอนาคตจิตก็จะไม่อยู่ในปัจจุบันนะถ้าอยากให้จิตอยู่ในปัจจุบันสัตว์รู้ก็ต้องหยุดความคิดจิตของคนเราสามารถแบ่งภาคลงมาเกิดได้ไหมครับเช่นจิตอยู่บนสวรรค์แล้วแบ่งภาคามาสร้างบารมีที่โลกมนุษย์ด้วยครับมันแบ่งไม่ได้หรอกมันเวลาอยู่สวรรค์มันก็อยู่สวรรค์เวลามันจะลงมาเป็นมนุษย์มันก็เป็นมนุษย์ไม่แบ่งมันไม่ได้ วันนี้ก็ได้โอกาสฟังคลิปหลวงตาครับพระอาจารย์หลวงตาที่บอกจิตไม่เคยตายไปเลยอะครับอเวลาไปวัดเวลาพระสวดมนต์แล้วนั่งฟังแล้วสวดมนต์ออกเสียงพร้อมๆกับพระถูกไหมครับโดยมา ร, รยาทเราไปฟังไม่ได้ไปสวดแข่งกับผ้าถ้าอยากจะสวดก็สวดไปภายในใจก็ได้ถ้าแต่าการฟังเฉยๆก็เหมือนกับการสวดเองก็เหมือนกัน เพราะว่ามันก็เป็นนการควบคุมใจให้ให้ให้นิ่ง ใ, ใ, ใ, ให้สงบในการสวดหรือในการฟังถ้าเรามีหน้าที่ฟังเราควรจะฟังมาก ก, กว่าครับสวดท้าอยา่าสวดเราเปสวดที่ม้านเราเป็นสวด ท, ที่อื่นก็ได้ไม่ต้อมาสวดแข่งกับพระจะดีกว่า นั่งสมาธิโดยกําหนดลมหายใจที่หน้าผากพร้อมบริกรรมพุโทโธรู้ตัวตลอดอยากถามว่าจิตรวมนิ่งเป็นสมาธิเป็นอย่างไรครับเ อ, อถ้าเป็นกําหนดที่หน้าผากมันมันไม่นิ่งหรอกเพราะาลมหายใจมันอยู่ที่ปลายจมูกจะผัดลมได้ที่ปลายจมูกไม่ใช้อยู่ที่หน้าผากเห็นกำหนดที่ก็ผิดแล้วการกำหนดที่ที่ผิดแล้วมันก็จะไม่รู้สึกรู้ว่าลมเข้าแล้วลมออกอจิตก็จะไม่นิ่ง คนจะกำหนดลมที่ปลายจมูกเวลาลมสัมผัสเข้าออกมันจะสัมผัสอยู่แถวบริเวณปลายจมูกให้รู้อยู่ตรงจุดนั้นจุดเดียวจิตก็จะนิ่งจิตก็จะรวมเป็นสมาธิได้จนเวลามันรวมเป็นสมาธิเป็นอย่างไรก็ต้องให้มันเกิดขึ้นเองจะดีกว่าเพราะมันเป็นประสบการณ์ที่ไม่สามารถที่จะมาที่างได้อย่างชัดเจนเพียงแต่ว่ามันจะเป็นความสุขที่เนือกวความสุขทางปวง มความสุขเี่ยที่มาสะใจอย่างยิ่งไม่เคยเจอความสุขแบบนี้มาก่อนถ้าเราไปช่วยญาติให้ดีกันแต่กลายเป็นว่าเขาโกรธเราตัดญาติกับเราไปด้วยเราควรจะวางใจอย่างไรครับเ่อทาใจถ้าเรามีเจตนาบอยสุดแล้เราก็เราก็เฉยๆไปนะเขาจะตัดก็ตัดไปแต่เรามีเจตนาที่หวังดีอยากจะให้เขาดีกันแต่ถ้าก็เห็นว่าเราเป็น เราไปไปจุนจ้านไปยุ่งกับชีวิเขาก็เบื่อเราเขาโกรธเราก็เราก็ห้ามเขาไม่ได้ก่อนที่เราจะทําอะไรบางทีเราก็ต้องคิดถึงผลที่จะตามมาด้วยว่าเขาต้องการความชื่อเยเหลือของเราหรือเปล่าวันนี้เขาไม่ต้องการความชื่อเยเหลือเราไปเข้าไปยุ่งกับเขาเองแล้วนัไปทําให้เขาลําพางขึ้นมาพอเขาลำพังเขาเลยโกรธเราดังนั้นทที่ได้ประโยชนแ์แรามันกลับไม่ได้ประโยชน์กลับ ไ, ได้ปัญหาตามมา มัก่อนจะทำอะไรก็ต้องคิดให้ดีก่อนมัเขาต้องการความช่วยเหลือของจากเราหรือเปล่าช่วยแล้วจะทำให้เขามีความสุขมีความมีประโยชน์กับเขาหรือเปล่าถ้าไม่รู้ก็อยา่าเพิ่งเลยทำดีกว่าในการปฏิบัติให้ถึงพระนิพพานฌานมีความจำเป็นไหมครับมีความจำเป็นต้องมีฌานก่อนถึงจะสามารถเจริญปัญญาเพื่อตัดกิเลส ข, ขั้นการมาราธน์ได้ เมื่อตัดกิเลสขั้งการมราคะได้แล้วฌานก็หมดหมดหน้าที่ไปถ้ายังไปติดฌานอยู่ก็จะทำให้ไม่สามารถไปนิพพานได้ก็ต้องละฌานไ ม, ไม่ไม่ยึดไม่ติดไม่ไม่อยากเข้าฌานอยู่แบบตัดความอยากเพียงอย่างเดียวใช้ใช้การตัดความอยากเป็นการทำใจให้สงบแทนด้วยปัญญา การสวดมนต์เช้าเย็นอยู่บ้านทุกๆวันแล้วแผ่เมตตาอุทิศบุญให้ผู้ลงลับไปแล้วเขาจะได้รับบุญไหมครับไม่ได้บหรอกถ้าอยากให้ก็ได้บุญต้องทำบุญบริจาคทําบุญทําทานใส่บาตรบริจาคเงินให้โรงพยาบาลให้วัดนี้แล้วก็ชดบุญให้เพราะบุญที่เราเกิดจากการสวดมนต์ไหว้พระนี่มันยังไม่ยังไม่เกิดผลขึ้นมา การดำรงชีพในยุคปัจจุบันเป็นยุคที่ข้าวยากมากแพงอาหารการกินข้าวของราคาสูงแพงมากอันเนื่องมาจากน้ํามันค่าขนส่งสินค้าเลยแพงตามเราต้องปฏิบัติตัวเช่นไรให้ชีวิตอยู่ในยุคเข้าวยากหมากแพงได้ยังมีความสุขครับก็ใช้หลักมากน้อยสันโดษให้ใช้ให้น้อยที่สุดกินให้น้อยที่สุดกินเท่าที่จำเป็นกินของที่ถูกที่สุดอย่าไปกินของแพงกินข้าวกินเพื่อให้ดับความหิวทนั้นเอง กินข้าวกับน้ำปลาก็ได้ถ้าอยากจะดับความหิวกินข้าวคุกน้ำปลาไปเดี๋ยมันก็อิ่มเองแต่ถ้าอยากจะกินเพื่อรักษาให้สุขภาพแข็งแรงด้วยก็อาจจะต้องกินของที่มีประโยชน์ด้วยนอกจากข้าวแล้วก็ต้องมีผักมีอะไรแต่ก็ไม่จําเป็นจะต้องซื้อของแพงๆมากินก็ยังสามารถซื้ออาหารที่มีคุณภาพที่จะรักษาร่างกายให้แข็งแรงให้อยู่ไปได้นานได้ยังต้องรู้จักใช้ความมากน้อยสัมฤทธ ทำน้อยคือเอาเฉพาที่จําเป็นาำเลือกได้ระหว่างของอย่างของของอย่างมีราคาต่างกันแต่ทําหน้าที่ได้เท่ากันก็เอาของที่ถูกดีกว่าเพราะมันทําหน้าที่ได้เหมือนกันแล้วถ้าเราไม่มีเงินพอที่จะซื้อของที่เราจำเป็นได้ก็ต้องยินดีตามมีตามเกิดซื้อมีเงินซื้อได้เท่าไหร่ก็ซื้อถ้ามีเงินซื้อข่าอย่างเดียวก็ยินดีกับข้ากินข้าวเปล่าไปก่อน ถ้ามีเงินมากกว่า น, นี้จะซื้อกับข้าวมาด้วยซื้อไข่มาด้วยมาซื้อไข่มาทอดกินอันนี้เรียกว่าสันโดยินดีตามมีตามเกิดอาจารย์ครับทําไมครูบาอาจารย์กินขาดขาดแคล น, นก็ไม่ครบมือไม่คบสารอาหารด้วยแต่ทําทไมอายยืนยาวนั่นแหละมันความจริงความรู้ทางกานแค่ย์ละแต่ไม่ยังไม่ครบก็ได้นะเพราะมันได้ไปวิจัยพวกที่เขากินกินอาหารที่ขาดสารอาหารแต่ทําไมเขาอยู่กันได้เป็น ก้าวสิบปีน้อยปีก็มีพระต่างๆเนี่ยท่านก็ไม่ได้อยู่ดีกินดีเหมือนคาราวาสยาโยมท่ า, านก็อยู่ตามมีตามเกิดของท่า น, นแต่ไม่มีเหตุปัจจัยอย่างอื่นที่ทําให้สุขภาพแข็งแรงไม่ใช่จากเฉพาะอาหารอย่างเดียวจิตใจก็มีส่วนที่จะทําให้ร่างกายแข็งแรงไม่เจบ็จบเจ็คไายได้ป่วยจิตเครียดนี่มันจะไปสร้างปัญหาให้กับร่างกายจิตที่สงบจิตที่มีความสงบ กับจะเสริมความเสริมสุขภาพของร่างกายให้แข็งแรงหน้าตาดูผ่องใสเือกบานเนคนที่รูความสุขใจเนี่เพราะนั้นไม่ใช่อยู่ที่อาหารเพียงอย่างเดียวแล้วข้อที่หนึ่งครับความทุกข์ตอนนี้คือทำอย่างไรให้พ่อแม่มีความสุขกับอะไรง่ายๆเช่นนำเงินไปใช้กินเที่ยวบ้างอย่างมีสติครับมันความอยากที่เป็นไปได้หรือเปล่าเราต้องถามตัวเราเอง เราไปสั่งให้พ่อแม่ทําตามความอยากเราได้หรือเปล่าถ้าไม่ได้ก็หยุดความอยากเสียแล้วเราก็จะหายถูกไปท่านอยู่ตามสภาพของท่านท่านอยากจะอยู่แบบนั้นก็ให้ท่านอยู่ของท่านไปไมันได้ความสุขของท่านนั้นท่านท่านสุขแบบนั้นะบางคนสุขด้วยการไม่ไปเที่ยวแต่เราก็ับเห็นว่าเขาเขาไม่สุขเขาต้องไปเที่ยวถึงจะสุขแต่ความจริงนะถ้าเขาถ้าไปเที่ยวสุขเขาคงไปเที่ยวมานานแล้วน่ะที่เขาไม่ไปเที่ยวเพราะว่าเขาไม่มีความสุขกัการไปเที่ยวก็ได้ อาจจะมีความสุขกับการอยู่บ้านเฉยๆก็ได้เราจะไปรู้ได้อย่างไรเพราฉะนั้นอย่าไปอย่าไปใจแค้นกับชีวิตของเขาดีกว่านอกจากเขาขอร้องเราให้ช่วยหรืออะไรเราก็ค่อ ย, อยทําตามที่เขาขอร้องมาจะดีกว่าข้อที่สองครับการฝันถึงสัตว์เลี้ยงหรือบรรพบุรุษที่เสียชีวิตไปแล้วคือจิตเราคิดเองหรือเขามาเข้าฝันครับทําให้เรากังวลว่าเขายังรอส่วนบุญอยู่ครับ ส่วนใหญ่ก็เป็นความคิดของเราเองมากกว่าถ้าเป็นขเขาขเขามาเข้าฝันได้เราก็ต้องเราต้องสามารถคุยกับเขาได้ถามชาวเราทุกศพนี่กับเขาได้ตอนนี้เป็นอย่างไรอยู่ที่ไหนหรืออาจจะต้องให้เขายืนยันในบางสิ่งบางอย่างที่เราสามารถไปพิสูจน์ได้ว่าเป็นเขาก็ เ, าเป็นของจริงเช่นเขามีของอะไรบางอย่างเก็บไว้ที่ไหนที่ไม่บอกใครถ้าเขามาบอกเราให้เราไปไปดูว่า เป็นไปตามที่เขาบอกหรือเปล่าถ้าเป็นไปตามที่เขาบอกเขาแสดงว่าเขาเข้ามาหาเราจริงนั่นมันทีนต้องพิสูจน์ก่อนอย่าไปเชื่อทันทีทันใดว่าเป็นของยอดเป็นอย่างนั้นไม่เป็นอย่างนี้ถ้าเราไม่สามารถพิสูจน์ได้ก็ก็ต้องก็ต้องขวาไว้ก่อนวาไงไว้ก่อนตอนนี้ร่างกายมีปัญหาแล้วเริ่มคิดถึงความตาย ทำอย่างไรที่จะให้จิตสุดท้ายคิดแต่ในเรื่องกุศลได้ครับก็ต้องฝึกสตินั่งสมาธิเจริญปัญญาพระสงฆ์ท่านต้องรักษาศีล227ข้อท่านมีวิธีจดจำหรือจะรู้ได้อย่างไรครับว่าตอนนี้อาจเผลอทำผิดศีลแล้วเพราะจำนวนข้อค่อนข้างเยอะมากเลยครับถ้าท่านต้องศึกษาเนี่ยการมาบวชเป็นพระนาี่ต้องศึกษาศีล227ก็ แล้วทุกทุกสองวันที่ก็จะมีการทบทวนสิน่งสองยี่สิบเ็ข้อที่เราเรียกว่าการส่ว น, นปฏิโมกต์นั้นได้ก็จะต้องศึกษารู้ข้อต่างๆส่วนใหญ่สินส้นข้อส่วนตส่วนใหญ่นเรื่องของกิ ร, ยรยิยามายานอะไรทำรองที้มากอว่าบางทีก็ให้รู้แต่สิ้นข้อใหญ่ๆสี่ข้อก็พอก็อย่าไปทํำบาป ท, ที่จะทําทให้การขาดจากการเป็นพระนั่นเองก็คือการฆ่ามนุษย์ การเปเษเมทรุนการไปร่วมเพศกับผู้อื่น mm hmm. การขาโมย mm hmm. เงินทองของผู้อื่นแล้วก็การอว ด, ด, ดอุจเิกคุณธรรมวิเศษที่ไม่มีในตนให้รู้แค่สี่ข้อใหญ่ๆนี้ส่วนข้อเล็กๆขอน้อยๆนี่บางทีมันก็ถ้าผิดถ้าเรารู้ว่าผิดเราก็ยังปรงอับได้ยังสารภาพบาปได้การดูหมอขัดกับหลักพุทธศาสนาไหมครับ มันไม่มีคําสอนของพระเจ้าพระเจ้าสอนให้เราดูกรรำดูพฤติกรรมการกระทําของเราว่าเราทํากรรมดีได้ทําทํากรรมไม่ดีถ้ากรรมทํากรรมไม่ดีก็ให้เรางับไว้เพราะกรรมไม่ดีจะนําความทุกข์มาให้กับเราให้ทําแต่กรรมดีละบาแล้วก็ให้ชาระใจให้หยุดกิเลสตัณหานี่คือสิ่งที่พระเจ้าสอนให้เราดูกันไม่ให้ไปดูหมอดูดวงชะตา คำว่ามารไม่มีบา ร, รมีไม่เกิดมีความหมายในทางธรรมอย่างไรครับบา ร, รมีในที่นิ่งหมารในคันตเไงความอดทนแล้วเราไปเจอมารคนที่เข้ามายุ่ามายื่อเยุให้เราเกิดความโกรธขึ้นมาหรือยื่อเยุให้เราเกิดความโลภขึ้นมาหรือหรือยื่อยุให้เราไปทําบาปแต่ถ้าเรามีคันติความอดทนเราก็เฉยๆทําใจเฉยๆได้แต่ถ้าเราไม่มีคนมาเยื่อเยื่เราก็ไม่รู้ว่าเรามีคันติหรือเปล่า แล้วก็จะรู้ได้เวลามีมามาเราจะได้รู้ว่าเรามีขันติบารมีหรือไม่ถ้าไม่มีเราจะได้ไปไ ป, ไปสร้างบารมีให้มีมากขึ้นบอกว่าเป็นบุญของลูกที่ได้ฟังธรรมจากพระอาจารย์นะครับเป็นผู้หญิงถ้าอยากจะไปบวชเป็นภิกษุรีได้ไหมครับในสายของเทรวาสในประเทศไายเรานี้ไม่ถือ ไม่ไม่สามารถบวชภิกษุณีได้พราะการจะบวชภิกษุณีหนึ่งต้องมีภิกษุณีสองอยู่จะอยู่เฉยๆไปบวชเป็นภิกษุณีในเวียดนามตะวันไม่มีพิกษุไม่มีภิกษุณีจะมาบวชให้เราแล้วการจะบวชภิกษุณีให้สำเร็จต้องบวชผ่านสสงุ่ด้วยภิกษุ2งด้วยภิกษุณีสองด้วยถึงจะสเร็จได้ันคือทางสายเทรวารานี้ถือว่าภิกษุณีนี้ขาด หายสาบสูญไปแล้วไม่สามารถลุอฟื้นขึ้นมาได้ใหมแต่ทางมหายาณ้าพุทธที่สายมหายาณที่เขาเขาว่าของเขายังไม่ขาดยังไม่สูญหายถ้าอยากจะบวชภิกษุนี้ก็ต้องไปบวชกับสายมหายาณ ปัจจุบันเราทำบุญทานได้ง่ายจากออนไลน์บางครั้งเราก็ไม่รู้ว่าเป็นเรื่องจริงหรือหลอกเราให้ไปแล้วถึงแม้เป็นเรื่องหลอกเราควรทำใจคิดยังไงดีบางครั้งคิดเยอะเกินมันเป็นเรื่องจริงเราก็ไม่ได้ทำครับก็เราทำไปด้วยความเชื่อโดยสนใจว่าเป็นเป็นเรื่องจริงถ้าเรารู้ก็คราวหน้าเราก็อย่าไปทำครับนั้นที่ที่เป็นของปลอมกนแล้วครั ตายปุ๊บแล้วไปเกิดเลยไหมครับหรือล่องลอยเป็นผีครับก็ต้องเป็นโยมวิญญาณก่อนเป็นเป็นเทพเป็นพรหมแล้วก็เป็นอะไรไปก่อนจนกว่าบุญที่ส่งให้ไปเป็นเทพเป็นพรหมมันหมดลงถึยจกรับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้แล้วถ้าบาปก็ต้องไปใช้บาปก่อนบาปในบาปไปเป็นเปรตไปเป็นผีไปเป็นสันนิลก่อนจนกว่าบาปที่ทําไปมันหมดกําลังลงถึงจะกลับมาเกิดเป็นมนุษย์ได้ เทวดามีร่างกายเหมือนมนุษย์ไหมครับเทวาไม่มีร่างกายเหมือนมนุษย์หรอกมันกลายมันจิตเป็นโลงวิญญาณใจของเรานี้ไม่มีรูปร่างหน้าตาแต่เราสามารถในระมิดมันขึ้นมาได้ในในจินตนาการเช่นตอนที่เรานอนหลับนี่เราจะในระมิดรูปภาพรูปสองคนของตัดว์ขึ้นมาในใจของเราเวลาเราฝันเวลาตายเวลาไปอยู่ในโลกทิพย์นี่เราก็อยู่ในโลกของความฝันแล้วก็จะในระมิด ต่อางงขขึ้นในใจเราเชื่อภายในตัวการมาราคะยังมีอาการเกิดแต่จิตใจไม่เอาไม่ต้องการไม่สนใจไม่ยึดแต่มีเชื้ออยู่จะต้องทำอย่างไรครับก็ต้องหยุดมันให้ได้ต้องใช้อสุภาพอคิดถึงพอมีการมาราคะค่ามันดูอสุภะดูความไม่สวยงามของร่างกายนึกถึงภาพที่ไม่สวยงามของร่างกายจนกระทั่ง การมาราค่ามันหายไปถึงจะถึงจะหยุดการดูอสุภาได้มืนกัการกินยาเนะี่ยถ้ายังเป็นไข่อยู่แม้แต่มีไข่อยู่แม้แต่น้อยก็ต้องกินยาต่อไปจนกว่าไข่จะหายถึงจะหยุดกินยาได้ข้อที่หนึ่งครับเวลาเราทำงานหรือภารกิจอยู่ยังไม่ต้องพูดโทได้ไหมครับและสวดมนต์เสร็จเอาไว้พูดโททีเดียวเลยได้ไหมครับ คือเล่าแต่เราว่าเราต้องการอะไรไงถ้าเราต้องการฝึกสมาธิเราต้องมีสติเราต้องพาสติขึ้นมามากๆเราจะสร้างสตินี่เราต้องสร้างในเวลาที่เราไม่ทํางานถ้าเราทํางานนี่เราจะสร้างสติเพื่อสมาธิยากเพราะเราเราจะต้องใช้ความคิดกับการทํางานอยู่ดังนั้นถ้าเรายังมีการทํางานอยู่เราก็อย่าไปหวังการเจริญสติเพื่อนําสมาธิเหมือนว่ามันทําไม่ได้ต้องมาทําในวันหยุด พระเาถึงสอนให้เราหยุดทํางานหนึ่งวันเพื่อเอาเวลามาเจริญสติไปอยู่วัดเพื่อไปเจริญสติเพื่อไปนั่งสมาธิแต่ถ้าวันที่ทํางานก็อย่าไปหวังที่จะเจริญสติเพื่อจะมาใช้กับการภาวนาเลยเพราะมันเป็นไปได้ยากทำได้อย่างว่าก็คือรักษาสีในหะ้านทําบุญทําทานส่วนการเจริญสติก็เจริญสติแบบที่ยังต้องคิดอยู่และมีสติอยู่กงานที่เราลำนทํา คิดกลางหนงานอย่างเดียวจิตก็จะไม่ฟุ้งซ่านเวลาเสร็จจากงานก็ให้หยุดคิดฉันจะให้รู้ักใช้สติให้ควบคุมความคิดเวลาต้องคิดก็ปล่อยให้มันคิดเรื่องนี้ต้องคิดอย่าปล่อยให้มันคิดเรื่อยเปื่อยเมื่อเมื่อเสร็จจากงานที่ต้องคิดแล้วก็หยุดความคิดให้มีสติคอยควบคุมความคิดอยู่เรื่อยๆอย่างนี้ก็พอแล้วจะทําให้เราเป็นสติพอที่เวลากลับมาจากที่ทํางานจิตก็ไม่ฟุ้ง ก็ยังเป็นปกติอยู่อาจจะสามารถนั่งสมาธิได้ข้อที่สองครับหลวงตาครับผมไม่จำเป็นเอาบุญมาฝากให้ใครได้ไหมครับเพราะผมมีภารกิจช่วยการงานบ้านให้คุณยายครับออไม่การทำบุญนี่ไม่ไม่ได้บ้านทาเพื่อเอามาฝากใครเลยทำเพื่อตัวเราเองเท่านั้นเองฝากใครก็ไม่ได้เลยเพราะบุญของใครบุญของมัน ถ้าเขาไม่ทาเขาก็ไม่ได้บุญเวลาจะมาฝากให้คนไหนก็ทาไม่ได้บุญนี่เป็นของใครของมันทำเพื่อตัวรเราเพีงคนเดียวการสวดมนต์แต่ไม่รู้คำแปลมีประโยชน์ต่อเราไหมครับ้ารสวดแบบไม่ไปคิดเรื่องราวต่างๆอยู่กับการสวดก็จะได้สติแต่ถ้าได้เข้าใจเข้าถ้ามีเข้าเข้าใจความหมายของบทที่เราสวดก็จะได้ปัญญาความรู้ การให้ทานแบบที่หนึ่งคือให้ทานที่หวังผลประโยชน์และอยากได้บุญมากๆกับแบบที่สองคือการให้ทานด้วยความหวังดีไม่หวังผลอะไรตอบแทนไม่อยากจะได้อะไรตอบกลับมาทั้งสองแบบนี้จะได้บุญเท่ากันไหมครับเพราะว่าเป็นการให้ทานเหมือนกันครับคือการให้การทําบุญทำทานนี่มันมันได้ผลอยู่แล้วคือไดความสุขใจไม่ว่าจะให้แบบไหนก็ตามความสุขใจก็จะได้ โดยการที่อยากจะได้ผลตอบแทนจากผู้รับนีม่มันก็แล้วแต่เขาจะให้หรือไม่ให้บางทีเขาก็ไม่ให้ผลตอบแทนอะไรกลับมางนลาการทําบุญ message, เราก็อย่าไปหวังผลตอบแทนจากใครเพราะถ้าเราหวังผลตอบแทนแล้วเราจะเสียใจเวลาที่เราไม่ได้รับผลตอบแทนกลับมาการทำบุญที่แท้จริงก็คือต้องทําเพื่อไม่หวังผลตอบแทนจากผู้รับทําเพื่อให้เราเกิดความสุขใจจากการที่เราได้มีการเสียสละ ชอบสมบัติเก้าของเงินทองของเราไปหลวงตาครับเอาเงินใส่บาตรทุกวันแต่เอาใส่ในถุงของไม่ได้ให้พระเห็นเป็นบาปไหมครับพรานั้นก็ต้องเห็นนะท่านกลับไปกลับไปที่กุฏิท่านก็เปิดอยู่ท่านก็จะเห็นเองไม่บาปหรอกการการให้เงินให้ทางพระไม่บาปเป็นแต่ละพระที่รับกับมเงินนี้ถือว่าผิดพระมิ่งใน ตามกฎระเบียบนี้ทำให้ฝากให้กับผู้ที่ให้ลูกศิธิ์เขาดูแลรักษาให้แต่สมัยนี้ยญายอมก็อยากจะให้กับพระเพราะคิดว่าถ้าให้กับลูกศิษย์ก็คิดว่าพระจะไม่ได้จะไม่ได้บุญแต่สมัยนี้เราก็อาจจะต้องเอาผู้ร้งให้เขาใส่ใส่ไปในฟ้าบาตแล้วให้ลูกศิษย์หยิบออกจากฟ้าบาตไปอีกทีหนึ่งท่านนั้นเองกานตามไปก็เหมือนเดิมลักก็ยังเหมือนเดิมอยู่ ก็คือให้ให้เอาเงินฝากไว้กับลูกศิษย์ไม่ให้เก็บไว้กับที่ตัวเองเวลาจะใช้ก็ไม่ให้ใช้เองให้ลูกศิษย์ไปซื้อของมามาให้แทนถ้ากำหนดจิตไว้ที่ศูนย์กลางกายแล้วภาวนาพุโทโธจะรู้ได้อย่างไรว่าเริ่มทำมิปสนาได้ครับยังทำไม่ได้หรอกการฝึกจิตต้องให้จิตโดนเป็นสมาธิก่อนให้มีความสุขที่เกิดจากความสงบ ก, ก่อน มันสามารถเข้าสมาธิได้อย่างคล่องแคล่วว่องไวชำนานก่อนหลังจากนั้นเราถึงจะค่อยมาฝึกวิปัสสนาคือมาเจริงปัญญาต่อถ้าอาจารย์สอนให้ทาบุญแล้วอุทิศให้ผู้ตายสอบถามว่าที่ทากระทงอาหารแล้วปักทู่ให้สัมภเวสีมากินก็ไม่สามารถให้เขากินได้ใช่ไหมครับ เวลาทํากระทงอาหารเราไปปลักทุบไว้มันไม่มีใครรับอย่งบุญยังไม่เกิดอาหารนี้ไปให้คนผู้ใดผู้หนึ่งรับไปให้เขาได้รับประโยชน์จากการให้ของเราแล้วเราจะเกิดความรู้สึกสุขขึ้นมาเมื่อเรามีความสุขแล้วเราก็สามารถอุทิศบุญให้กับผู้ที่ร้องรับไปได้ถ้าเราต้องการที่จะอุทิศแต่ถ้าเราไม่ต้องการอุทิศก็ไม่ต้องอุทิศก็ได้ไม่ได้บังคับกัน ยิ่งปฏิบัติยิ่งไม่อยากเข้าสังคมเพราะส่วนใหญ่สังคมจะติฉินนินทาอิจฉาริษยาเน้นอวดความร่ํารวยของวัตถุจึงไม่อยากส่งสินกับใครแบบนี้เป็นเรื่องปกติไหมครับและควรปฏิบัติหรือวางใจอย่างไรดีครับก็เรียกว่าเราเรามีปัญญาแล้วเลยเห็นว่าสังคมเป็นเป็นทุกข์มากกว่าเป็นสุขเมื่อเรารู้ว่าเป็นทุกข์เราก็ไม่เข้าไปก็เป็นเรื่องเรื่องดีของเป็นความฉลาด คนที่ยังเข้าสังคมอยู่ยังหลงใหลกับสังคมสงสีเสียงอยู่กัแสดงว่ายังหลงไหลอยู่ยังไม่เห็นสัจธรรมความจริงเพรามันเป็นมันเป็นโลกของความทุกข์ผู้ที่เรียกตนว่าเป็นผู้ปฏิบัติธรรมแต่ยังรักษาศีลห้าข้อไม่ครบยังสร้างกรรมชาญจะเสื่อมไหมครับชาญไม่เกี่ยวกับการฆ่าศีลและไม่รักษาศีลชาญมันอยู่ที่ สติว่ามีแนละ้วไม่มีสตินถ้ามีสติมันก็ไม่เสื่อมแต่ถ้าคนมีสติแล้วมีชาแนละ้วก็จะไม่ไปก็จะไม่ไปทําบาปอยู่ดีเพราะไม่มีเหตุที่จะตึงใจให้ไปทําบาปเหตุที่ทําคนทําบาปเพราใจไม่สงบใจเกิดความโลภความอยากขึ้นมาก็เลยไปทําบาป็น บางคนมีปัญญาสูงมีปัญญาดีบางคนมีปัญญาน้อยเกิดจากอะไรครับถ้าเราต้องการมีปัญญาดีมีปัญญาสูงเราต้องปฏิบัติอย่างไรครับก็จะเกิดจากการเรียนรู้มากหรือเรียนรู้น้อยถ้าเรียนรู้มากมันก็จะรู้มากก็มีปัญญาสูงคนที่จบด็อกเตอร์นี่เขาเรียนกี่ปีถึงกันจะได้จบด็อกเตอร์ได้เป็นปัญญาเคนจบปริญญาโทก็ใช้เวลาน้อยกว่าความรู้ก็จะน้อยกว่าคนที่จบปริญญาเอก คนที่จะปริญญาติีความรู้ก็จะน้อยกว่คนที่จะปริญญาโทก็คือการศึกษานี่นี้ทําให้เรามีปัญญาเกิดขึ้นมางั้นอยากจะมีปัญญาทางพุทธศาสนาก็พยายามฟังเทศบ่อยๆฟังทุกวันก็ได้ฟังแล้วก็ต้องเอามาทบทวนมาทําการบ้านเพอฟังแล้วถ้าไม่เอามาทบทวทนทําการบ้านมันก็จะอาจจะลืไมไปได้เอามาทําการบ้านมันจะได้ไม่ไม่เร็วแล้วถ้าอยากจะได้ปัญญาที่ สามารถเอาไปใช้ประโยชน์ได้ก็ต้องเอาไปปฏิบัติกับการนั่งสมาธิทําจิตให้สงบถ้าจิตสงบแล้วสามารถเอาปัญญานี้ไปใช้ในการกำจัดความทุกข์ต่างๆที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปได้คําว่าทําบ้านให้เป็นวัดควรทําอย่างไรครับก็เหมือนที่กขาวัดวงไงที่วัดเวาเราเป็นปฏิบัติทำในห้องที่ข้าเราอยู่มีทีวีหรือเปล่ามีตู้เย็ยนหรือเปล่ามีอะไรหรือเปล่า ถ้าทำห้องให้มันเหมือนที่พักที่เราไปพักในที่สาารที่ปฏิบัติธรรมไม่มีสิ่งที่มายั่วใจเราไม่มีสิ่งที่จะมาดึงให้เราไปเสพกามถ้ามีตูเ้เย็นเด็กเก็เปิดตูเ้เย็นเห็นอ๋อเห็นเครื่องนึ่งก็อยากจะดื่มเห็นขนมนี่ก็อยากจะกินขึ้นมามันก็อย่ามีตูเ้เย็นในห้องห้องที่เราจะอยู่ในสหรับการปฏิบัติธรรมให้เป็นห้องว่างเฉยๆมีมีแต่ที่นอนนอนก็นอนกับพื้นไปเท่านั้เอง มีที่นั่งสมาธิมีที่เดินจงกรมพอละเนี่แหละทำบ้านให้เหมือนวันทําอย่างนี้คือไม่ให้มีรูปเสียงกินรถมาคอยยั่วยวนควนใจอย่าไปตั้งทีวีไว้ในห้องปฏิบัติธรรมอย่าไปตั้งตั้งตูเ้เย็นไว้ในห้องปฏิบัติธรรมอย่ า, อามือถือมือถือก็ต้องปิดอย่าไปเปิดเหมือนอเดี๋ยวพอเปิดนี่ก็อยากจะดูดูรูปฟังเสียงขึ้นหน่อยเจ็บกลางอีก บิดามารดามีหน้าที่เลี้ยงดูลูกเป็นปกติวิสัยแต่ทําไมถึงกล่าวว่าท่านเปรียบเหมือนพระอรหันต์ของบ้านครับเพราะท่านมีพระคุณมากไงไม่มีใครวินพระคุณต่อลูกมากเท่ากับพ่อแม่แต่พ่อแม่ไม่มีความเมตตากรุณาไม่เสียสละเลีลูกนะลูกก็จะตจริญเติบโ ต, ต, ตขึ้นมาไม่ได้อย่างเช่นพ่อแม่บางคนใจโหดร้ายทางนูน้นพอลูกคลอยออกมาแล้วเนีไม่ทันคลอยก็ไป ท, ำทํำทาง วิธีการเกิดทนี้ถ้าเกิดมาแล้วไม่มีปัญญาจะเลี้ยงก็บางทีเข้าไปทิ้งถังขายา ก, ก็มีบางทีเข้าไปกดน้ำโยนทิ้งน้ําก็มีนื่เป็นพระเป็นพ่อแม่ที่ไม่มีบุญคุณกับลูกเนี่ยแต่พ่อแม่ที่อุตส่าห์เลี้ยงดูมาแต่ละวันแต่ละปีนี่มันไม่ใช่น้อยๆนะเลี้ยงคนขึ้นมาคนหนึ่งก่าจะโตขึ้นมาเนี้ต้องเสียสละบางมากเพียงไรอันนี้นะเกิด ค, ความพ่อคุณนันนี้ใหญ่ของพ่อแม่คือการเสียสละของท่าน เพราะให้เราได้เจริญตบโ ต, ตขึ้นมาอยู่อย่างเป็นสุขอันนี้เราเรียกว่าท่านมีกรบคุณมากเปลี่ยนเป็นเหมือนเป็นพระอาหารของลกูกเพศสภาพเป็นกฎที่ต้องกำหนดในการบวช ด, ด้วยไหมครับเพศก็เป็นเพศชายอย่างเดียว ถ้าเราทำงานกับคนที่คิดร้ายกับเราต่อหน้ายิ้มแย้มทักทายรับหลังพูดให้ร้ายเราจะต้องทำอย่างไรดีครับก็ทำใจเฉยๆไปเราควบคุมครับขาไม่ได้ถ้าจะทำให้เราสบายใจให้คิดว่าถ้าเขาไม่เช่าเราก็ดีแล้วที่เขาไม่มาด่าเราถ้าเขาด่าเราก็ดีแล้วเขายังไม่มาตีเราถ้าเขาตีเราก็ดีเร้ก็ยังไม่มาฆ่าเราถ้าเขาฆ่าเราก็ดีแล้วจะได้หมดเวนหมดกรรมทันที เปนแต่ทามที่ดีแล้วก็จะอยู่กับเขาได้ให้อาหารหมาแมวจอนจัดทุกวันสามารถอุทิศบุญได้ไหมครับได้ถ้ามีความสุขที่เกิดจากการให้อาหารนะั้นคาถามสุดท้ายนะครับอาจารย์รันละเวลาครับผ ม, ม ถามทุนพืชขออีกคบถามกับอาจารย์ครับการนั่งสมาธินั่งเป็นระยะสั้นๆแต่นั่งบ่อยวันละหลายรอบพอนั่งระยะสั้นๆรู้สึกว่าสมาธิดีกว่าทําแบบนี้ดีไหมครับก็ความจริงก็อยากจะให้มันสงบแบบยาวๆนานๆจะดีกว่าแต่ถ้ายังทําไม่ได้มันได้แค่สั้นๆก็ทําแบบสั้นๆไปก่อนแต่เป้าหมายหราก็เป็ต้องการให้มันสงบแบบต่อเนื่องอย่างยาวนานเรียกว่าเป็นอัปปนาสมาธิ สามงครึ่งพอดีครับอาจารย์ครับขอปกาศครับอาจารย์วันนี้เพื่อนๆฟังอยู่ในเฟซหก9้อยเก้าสิบเก้าคนในยูหก้อยสี่สิบเก้าคนในคลับแปดในติกตอกสี่ร้อยแปดสิบเอ็ดรวมหนึ่งพันแปดร้อยสามสิบเจ็ดคนนะครับวันนีน้เริ่มอ่านคำถามแรกเวลายี่สิบนกายี่สิบห้านาทีพระอาจารย์ตอบไปหกสิบเก้าคำถามครับมีนนคำถามน้อยคำตอบอาจจะยาวหน่อยก็มีสาระมากขึ้น ก็หวังว่าทุกคนองยามีความสุขจากการได้ฟังเทศน์ฟังธรรมได้สนมนาธรรมกันและนําเอาเอาความรู้ที่ได้ศึกษานี้เอาไปใช้กับการปฏิบัติเพื่อยกระดับจิตใจของเราให้มีความสุขมากขึ้นให้ให้สูง ข, ขึ้นตามระดับต่อไปการสนทนาธรรมสาหรับคืนนี้ก็คิดว่าพอสมควรแก่เวลาก็ขอให้ท่านจงนำเอาสิ่งที่ท่านได้ยินได้ฟังไป พ, งพิจารณาไปปฏิบัติ เพือความสุขความเจริญก้าวหน้าในธรรมยิ่งขึ้นไปเทิฟ้าธุ ก, ก็ขอลาคุณหมอและท่านผู้ชมผู้ฟังไว้เพียงเท่า น, นี้ถ้าอาทิตย์หน้าถ้าไม่มีเหตุการณ์เข้าอย่างใดก็คงจะได้พบกันอีกเช่นเคยขอเจริญพรกลับขอบพระคุณพระอาจารย์ครับ